คราวนี้มาอยู่กี่วันอะสองคืคนพะักที่บ้านป่าไม้สงบดีหมดีดีค่ะไมม<า>ีอยู่สามหลางฮะไม่ได <c oughs> ้อยู่สามหลังอืมเวลามาปฏิบัติมีเป้าหมายปฏิบัติหรือเปล่าม า, า จ, จะมาทำอะไร ก็สิามตัน้นี้สติสำคัญที่สุดนะสติจะเป็นตัวผลักดันพลังใจพลังธรรมเนี่ยถ้าไม่มีสติเนี่ยมันจะไม่มีกำลังมันจะสู้กิเลสไม่ไหวกิเลสมันชอบดันใจเราไปทางลูกเสียงกลิ่นรสเราใช้สติดั น, นใจให้เข้าข้างใน ให้เข้าสู่ความสงบถ้าปล่อยให้กิเลสนะมีกําลังมากกว่ามันก็พาเราไปสู่ความวุ่นวายต่างๆพาเราไปสู่ความทุกข์แต่ถ้าเรามีสติเราก็จะดันมันเข้าไปข้างในดันเข้าไปที่ที่ฐานของจิตนะที่นิ่งที่สงบที่สักแต่ว่ารู้ แล้วตอนนั้นมันจะให้ความสุขกับเราให้ความเย็นสบายถ้าปล่อยให้กิเลสมันดันออกมามันจะพาเราไปสู่ความรุ่มร้อนใจเห็นอะไรก็ร้อนขึ้นมาได้ยินอะไรก็ร้อ น, นเราต้องมีสติคอยดึงใจเข้าข้างในดันใจเข้าข้างในถ้าเราไม่มีสติกิเลสก็จะดันเรา การใจให้ไปหาลูกเสียงเก็บรอดต่างๆให้ไปหาราบยกสรรเสริญแล้วก็ไปสร้างความทุกความวุ่นวายใจต่างๆเพราะว่าได้แล้วก็หมดไม่หมดก็อยากจะได้เพิ่มออเวลาอยากก็ต้องลิ้นนลนอย่อเฉยๆไม่ได้เวลาได้มาก็หวดก็ต้อง ามเวลาหมดก็เสียดายเสียใจเป็นความสุขปลอมถ้าเข้าสู่ข้างในเข้าสู่ฐ า, า, านหูจิตเข้าสู่สมาธิก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขนี้เป็นความสุขที่ทำให้เราไม่ต้องดิ้นรนทำให้เราไม่ต้อง มีอะไรแม้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องมีถ้าเราเข้าถึงฐานของจิตเราสามารถรักษาจิตให้อยู่ในฐานนั้นได้ตอนต้นใช้สติดันเข้าไปเราขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญารักษาไปไว้เพราะปัญญาจะทำลายกิเลส ท, ที่จะคอยดันใจออกพะ อ, อยากจะ ไปดูอยากจะฟังก็ปัญญาก็สอนเลยว่ามันไม่เที่ยงนะของที่เราอยากจะดูอยากจะฟังเนะี่ยเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆต้องมีอยู่เรื่อยๆเวลาไม่มีก็ทุกเวลาหาไม่ได้ก็ทุกสู้อยู่ในฐานดีกว่าอยู่ที่ความสงบดีกว่าอยู่ด้วยความไม่อยากไม่โลภดีกว่า นี่คือปัญญาเหมือนกับเวลาที่คนติดอะไรติดบุหรี่ติดสุราก็เกิดความอยากจะสูบบุหรี่อยากจะดื่มสุราถ้าใช้ปัญญาสอนว่าถ้าถ้าสูบมวนนี้แล้วเดี๋ยวก็ต้องสูบอีกมวนเดี๋ยวก็ต้องสูบเป็นซองถ้าอยากจะหยุดก็ต้องหยุดตอนนี้ ถ้าหยุดแล้วก็ต่อไปก็จะไม่ต้องสูบอ่านอย่างไรจะดีกว่ากันสูบไปเรื่อยๆไม่หยุดสูบสูบไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวก็ร่างกายก็เจ็บไข้ได้ปวยแล้วเวลาอยากจะสูบไม่มีให้สูบก็ทุกข์แต่ถ้าหยุดสูบได้ร่างกายก็สบายเวลาไม่มีอะไรสูบก็ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ แต่จะจะทําได้ก็ต้องอยู่มีความสงบมีสมาธิเพราะสมาธิจะให้ความสุขกับเราโดยที่เราไม่ต้องไปหาความสุขจากการสูบบุรหรี่ด้วยการดื่มสุราแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเราไม่มีความสุขเราก็เลยต้องอาศัยความสุขจากการสูบบุหรี่จากการดื่มสุราก <c oughs> ็จะเลิกไม่ได้หยุดไม่ได้ เกิดประโยชน์ของการมีสมาธิสมาธิจะทำให้เรามีความสุขทำให้เราเลิกหาความสุขอย่างอื่นได้แต่เราต้องมีปัญญาเป็นผู้สอนให้เราเห็นว่าความสุขอย่างอื่นที่เราต้องการนั้นมันเป็นความทุกข์เพราะว่ามันได้มาแล้วก็ต้องหมดไปแล้วถ้าไม่ไดก้ก็เสียใจทุกข์ใจหมดไปก็ทุกข์ใจเสียใจ พอเราเห็นโทษของการไปหาสิ่งต่างๆไปห า, าลาภยศสรรเสริญไปหาลูกเสียงเกิดด้วยปัญญาที่พระเจ้าทรงค้นพบแล้วเราก็มาใช้สอนใจเราเราก็บอกว่าอ ย, อยู่เฉยๆดีกว่าอยู่กับสมาธิดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าอย่างเช่นตอนนี้ญาติโยมที่จะมาอยู่วัดนี่ก็มีทางเลือกจะมาดีหรือไม่ดีอ่า อยู่บ้านก็มีความสุขอีกแบบนึงมีโทรศัพท์ให้ดูมีขนมนมเนยให้รับประทานอะไรต่างๆมีเท่าไหร่พอไหมแล้วความสุขนั้นอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าพ อ, อไม่ได้กินแล้วเป็นไงไม่ได้ดูไม่ได้ฟังแล้วเป็นไงแต่ถ้าเรามาอยู่ที่วัดมานั่งสมาธิทำใจให้สงบใจเราก็มีความสุขได้ โดยที่เราไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องดูไม่ต้องฟังอะไรอันนี้ก็ต้องเลือกตอนต้นมันก็ลำบากเพราะว่ายังไม่มีความสุขจากสมาธิมันก็เลยสองจิตสองใจกลัวเวลามาอยู่มาปฏิบัติสมาธิก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เสบ ร, รูปเสียงกลิ่นนั่น เวลาอยากเสพแล้วไม่ได้เสพมันก็จะทุกข์บางคนก็มาไม่ได้ติดกาแฟติดขนมติดละครติดแฟนติดอะไรไปหมดก็เลยมาฝึกมาปฏิบัติเพื่อให้ใจสงบเพื่อให้ใจมีความสุขไม่ได้ก็ต้องติดเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆติดไปจนวันตายพอตายก็กลับมาเกิดใหม่เพราะยังติดอยู่ ยังต้องมีร่างกายใหม่เพราะยังอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอยากจะสัมผัสกับสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ตัดใจยอมทิ้งของเหล่านั้นแล้วมาเผกนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วพอสงบแล้วก็จะมีความสุขพอมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องไปอาศัยความสุขจาก ทางตาหูจมูกเอ็นกายแล้วถ้าสามารถอยู่กับความสงบได้ไปเรื่อยๆก็สามารถเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกเิ้นกายได้พอเราตัพอเราฝืนความอยากที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกเอ็นกายได้ต่อไปความอยากนั้นก็จะหมดกําลังแล้วมันมจะจะไม่มาลากเราไม่จะไม่มาถักเรามาดันเราให้ไปหา รูปเสียงกิ่นรสต็กต่อไปเราก็อยู่เฉยๆได้อยู่โดยไม่ต้องมีรูปเสียงกิ่นรสมาให้ความสุขกับเราดงนั้นตอนต้นนี้เราต้องบังคับใจเราต้องฝืนใจอย่าไปทำตามความอยากต่างๆพยายามถอนตัวออกจากการติดอยู่กับรูปเสียงกิ่นรส ติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคลนี้แล้วก็ไปหาที่สงบไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบให้ได้ถ้าใจสงบมีความสุขแล้วที่นี้ก็จะ <c oughs> มีกาลังที่จะตัดเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญาถ้าใช้สติมันไม่ตายต้องใช้ปัญญาต้องเห็นว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการหาความทุกข์ ไม่ใช่หาความสุขเพราะสิ่งที่เราอยากได้นะั้นมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนได้มันหมดได้เวลามันเปลี่ยนเวลามันหมดมันก็ทาให้เราทุกข์กันมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของชั่วคราวเป็นสมบัติชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวพอมันไม่ได้เป็นของเราเราก็เลยทุกข์เวลาเราไม่มีอะไรให้เสพนี่เราจะทุกข์กัน เวลาร่างกายเราไม่สามารถจะเสบรูปเสียงกลื่นลดได้ก็ทุกข์กันเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะตายคนจึงไม่ค่อยชอบกันเพราะจะไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลื่นรดต่างๆได้นั่นเองแต่ถ้าเราฝึกใจทําใจให้สงบได้เราก็ไม่ต้องใช้ากาย ร่างกายแก่เจ็บตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรายังมีความสุขได้เพราะความสุขของเราไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขของเราใช้สติแทนใช้ปัญญาแทนถ้ามีสติมีปัญญาแล้วใจเราจะสงบใจเราจะมีความสุขอันนี้เป็นของวิเศษที่เราไม่รู้กันทุกคนเกิดมาในโลกนี้ต้องคิดว่า ต้องมีราบยศสรรเสริญกันถึงจะมีความสุขกันต้องมีเงินทองต้องมีตำแหน่งต้องมีคนยกย่องสรรเสริญเยืนยอต้องมีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราก็เลยต้องไปหาสิ่งต่างๆกันได้มาเท่าไหร่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องพัดพรากจากกัน เพราะของทุกอย่างมันไม่ได้เป็นของถาวรเป็นของชั่วคราวพอถึงเวลาที่ พ, พลาดพราดจากกันก็ร้องหงร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีก็คิดฆ่าตัวตายกันเพราะอยู่แล้วไม่สามารถมีความสุขได้เพราะร่างกายไม่สบายพิกลพิการอามาเพิกอามภาสไม่สามารถ หาความสุขแบงที่เคยหาได้แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รู้จากวิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องมีลาบยศสารเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกิจิย์ลดมาให้ความสุขกับเราขอให้เรามีสติมีปัญญา น, นี่คือสองตัวสาคัญ ทที่สำคัญสองตัวนี้จะมีสติมีปัญญาได้ก็ต้องมีศีลก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีศีลเดี๋ยวก็ไม่มีเวลามาเจริญสติจเจริญปัญญานั่นเองจะไปเที่ยวกันไปดูหนังฟังเพลงกันไปกินเลี้ยงกันไปทำกิจกรรมต่างหาความสุขต่างทางตาหูจมูกลิ้ไม่ไกลกันเราก็ต้องใช้ศีลมากั้นเอาไว้ ปิดเอาไว้เหมือนกับถนนถ้ารถมันจะวิ่งไปทางนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้วิ่งมาทางนี้เราก็ปิดปิดถนนเลยพอปิดถนนแล้วมันก็ไปไม่ได้ถ้าใจเราอยากจะไปทางลาบยศเสลเสยก็ปิดมันไปเลยถ้าอยากจะไปทางลูปเสียงกลิ่นรถก็ปิดไว้สิ่งที่จะมาปิดทางก็คือศีลห้ามห้ามหลอบนอนกับแฟนห้ามรับประทานอาหารเย็น ห้ามดูหนังฟังเพลงห้ามไปเที่ยวตามสถานบันเทิงตา่างตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆห้ามแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเเผวทำผมห้ามหลับนอนมากเกินไปเพราถ้านอนมากก็ไม่มีเวลามาเจริญสติมาเจริญปัญญานอนเท่าที่พอต่อความต้องการของร่างกายร่างกาย ต้องการวันลี่ห้าชั่วโมงก็พอแต่ถ้านอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆมันสบายพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาก็ยังไม่อยากลุกก็จะนอนต่อเพราะมันสบายมันสุขก็เลยจะหาความสุขจากการหลับนอนบนฟูกหนาๆบนเตียงใหญ่ๆแทนที่จะลุกขึ้นมาจเจริญสติจเจริญปัญญาก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทำ าะเอาเวลาไปนอนหรือเอาเวลาไปกินไปดื่มเอาเวลาไปเที่ยวไปดูไปฟังเวลาที่จะมาจเจริญสติเจริญปัญญาเลยไม่มีเราจึงต้องปิดกานทางที่จะพาใจให้ไปทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ก็คือการมาถือศีลแปนี่ศีล น, นักบวชศีลแปดศีลห้า น, นี้ยังปิดกานไ ม, ไม่หมด ยังเปิดช่องให้ไปได้อยู่อันนี้เหมาะกับพวกที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะมาเจริญสติมาเจริญปัญญาพวกนี้ก็ให้เป็นนักบุญไปก่อนนักบุญก็คือให้ทาบุญทาทานแล้วก็รักษาศีลห้าไปก่อนอันนี้สงฆ์ก็จะทำให้ตายไปแล้วไม่ไปเกิดในบายตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมี เงินทองสำรองรองรับเราอยู่เพราะบุญที่เราทำนี่ก็เป็นเหมือนเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารพอถึงเวลาเราต้องการใช้เราก็เบิกได้พอชาติหน้าเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์หน่อยเราก็จะมีเงินทองรอรับรอรับเราอยู่เวลาตายไปเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไปก็เราถือสี่ห้าได้นี่คือทาระดับนักบุญ นักบุญก็คือทำทานเป็นปกติรักษาศีลห้าเป็นปกติเพราะว่ายัางไม่พร้อมที่จะเป็นนักบวชนักบวชนี่ต้องถือศีลแเป็นปกติแล้วเจริญสติเจริญปัญญาเป็นงานหลักนี่คือระดับของนักปฏิบัติในพระพุทธศาสนามีสองระดับด้วยกัน ระดับที่หนึ่งและระดับที่สองก็เหมือนกับาการเรียนหนังสือระดับประถมกับระดับมัธยมยก่อนที่จะขึ้นระดับ ม, มัธยมได้ก็ต้องผ่านระดับประถมก่อนทุกคนต้องเริ่มที่ระดับนักบุญก่อนต้องทำบุญทำทานกันแล้วก็รักษาศีลห้ากันพอเราทำบุญทำทานได้รักษาศีลห้าได้ แล้วพอเราเห็นคุณประโยชน์ของการรักษาสิ่แปดของการเจริญสติปัญญาเราก็มาเพิ่มการปฏิบัติต่อไปเพราะต่อไปเราก็จะเบื่อกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาเรามหาแล้วก็หมดไปเวลาหมดก็เสียอกเสียใจก็อาจจะเริ่มพัฒนา เลื่อนเื่อชั้นขึ้นมาจากการเป็นนักบุญมาเป็นนักบวชกันจากการถือศีลห้าก็มาถือศีลแปดกันจากการทำบุญทาทานก็เปลี่ยนมาเจริญสติเจริญปัญญากันเอามาเป็นนักบวชเรื่องการทาทานก็ระงับไว้ก่อนหรือทำให้ทำให้แบบที่ไม่ต้องมาเสียเวลากับการเจริญสติเจริญปัญญา คือความจริงก็ยังทำทานได้อยู่ถ้าอยากจะทำอย่างยามโยมมานี่ก็มาทำทานเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปเจริญสติไปเจริญปัญญาต่อได้แต่ถ้าทำถ้าจะทำบุญทำทานแบบที่จะทำให้ต้องเอาเวลาของการเจริญสติเจริญปัญญาไปก็ไม่ควรทำแต่ถ้าทำแบบไม่ไม่เสียเวลาก็ทำได้สมัยนี้ง่าย อยากจะทำกี่ล้านก็กดในมือถือก็ได้ไม่ถึงนาทีก็ไปละสิบล้านยี่สิบล้านถ้าอยากทำจริงๆทำไมต้องมาเสียเวลากับมันทำไมได้บุญเหมือนกันเสียสิบล้านด้วยการกดหรือเสียสิบล้านด้วยการมาทำนู่นทำนี่ไปวัดสิบวัดไปสร้างโบสถ์สิบหลังนี่มันก็ได้ ถ้ามันเสียสิบล้านเท่ากันมันก็ได้บุญเท่ากันแต่มันจะเสียเวลาเอาเวลามาภาวนาดีกว่าเอาเวลามาเจริญสติเจริญปัญญาดีกว่าทําบุญต้องรู้ต้องฉลาดอย่าทำจะทําด้วยความโง่ทําแล้วมาทำให้มาทําลายมาเอาเวลาของการภาวนาไป ต้องทำแบบไม่ต้องเสียเวลาของการภาวนาง่ายจะตายไปทำบุญสิบล้านนี่ไปธนาคารไม่กี่นาทีโอนเขียนหนังสือสองสา ม, สามตัวเซ็นชื่อสองสามแก้ก็ไปแล้วจะโอนไปที่ไหนก็ไปได้แทนที่จะเอาเงินสิบล้านนี่ไปสร้างนูน่นสร้างนี่แล้วก็ต้องไปเฝ้าไปดูไปคอยจัดการ เหนื่อยไปเปล่าๆเสียเวลาไปเปล่าๆ <c oughs> จำนวนเงินก็เสียเท่ากันแต่เสียเวลาของการภาวนาไปถ้าอย่างนี้ก็ขาดทุนต้องเสียไปแล้วไม่ทาให้เราไม่เสียเวลาของการภาวนาถึงจะดีกว่าวิธีที่เราจะ ทำบุญได้โดยที่ไม่มาทําลายเวลาของการภาวนาของเราก็ทําแบบไม่ง่ายทําแบบอทําแบบรวดเร็ว เ, เขียนตัวเลขเข้าไปเลยเท่าไหร่แล้วก็กดปั๊บไปเลยจะโอนให้บัญชีไหนก็โอนไปเลยอจบอแล้วก็จะได้มาภาวนาพุทโธพุทโธมาเจริญสติมาเจริญปัญญากัน ไม่ใช่ไปติดตามดูเงินที่เราจะเอาไปทำบุญว่าไปทำอะไรบ้างทำตรงไหนบ้างอย่างนั้นอย่างนี้โอ้เสียเวลาทั้งวันทั้งคืนเวลาที่จะมาภาวนาเลยไม่มีแล้วบุญที่ได้ก็เท่ากันเสียสิบล้านแบบกดมือถือกับเสียสิบล้านกับการมาจ้างคนนั้นจ้างคนนี้มาสร้างนู่นสร้างนี่ทานู่นทานี่ มาควบคุมงานมาควบคุมอะไรต่างๆตลอดเวลาไม่มีเวลามาทำสมาธิไม่มีเวลามาภาวนาอันนี้บุญก็ได้เท่ากันเสียสิบล้านเหมือนกันแต่เสียเวลากับไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาดีกว่าจะได้เอาเวลามาเจริญสติมันเจริญปัญญาคนบางคน เขาไม่เข้าใจัางทีเขาทำบุญนี้เขาต้องทำแบบวุ่นวายถึงจะรู้สึกว่าได้บุญเยอะต้องไปซื้อของเองต้องไปถวายของเองต้องอะไรเองทุกอย่างก็เสียเวลาเยอ ะ, อะถ้า โอนเงินให้กับทางวัดเขาไปเลยแล้วให้วัดเขาไปจัดการเขาขาดอะไรให้เขาซื้อของเขาเองไปเลยเราไม่ต้องไปซื้อให้เขาให้เหนื่อยบางทีซื้อของที่เขาไม่อยากได้กว่านี้ซื้อของที่เขามีอยู่เต็มไปหมดแล้วซื้อโอนเงินไปเลยถ้าเรามั่นใจในวัดทั้นว่าเป็นวัดที่ดีเป็นวัดที่ไม่มีกุก ก, กไม่มีติ๊กตุกอะไรมีเพื่อทาประโยชน์ให้กับ เอาวัดกับศาสนาก็อโอนไปเลยจบอย่างคนที่เขาทำบุญกับหลวงตาเนี่ยเขามั่นใจในหลวงตาเขาโอนไปเลยห้าล้านสิบล้านร้อยล้านไม่ต้องมานั่งเสียเวลามาคอยเอาเงินร้อยล้านไปซื้อนูน่นซื้อ น, นี่แล้วขนมาถอยวัดเหนื่อยเปล่าๆแล้ววันนี้ขนมาที่วัดแล้ววัดก็ต้องขนออกไปเพราะวัดก็ใช้ไม่ได้ เขาเน้ยมทำงับหลวงตาเพราะท่านบวยสุดผุดผองท่านซื้อสัสตย์สุดจริญเงินทุกบาทที่ถวายท่านท่านก็เอาไปทำประโยชน์หมดท่านไม่เก็บเอาไว้ที่ไหนาขาดหรืออะไรก็ไปที่นั่นช่วงแรกๆท่านก็ช่วยทำเกี่ยวกับโรงพยาบาลช่วยซื้อเครื่องมือแพทย์ซื้ออะไรต่างๆสร้างตึกโรงพยาบาล ต่อมาก็มีเรื่องช่วยภาคบ่าช่วยชาติเนี่ยกินดูที่ทองคำไม่รู้ต้องกี่ตันสิบกว่าตันเงิน <c oughs> ไม่รู้กี่ร้อยล้านอันนี้ก็เนี่ยพูดให้ฟังว่าการทำบุญทำให้เงินเข้าไปดีกว่าแล้วให้เขาไปทำเองเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลามา ไม่ใช่มาขอสร้างกุฏิให้วัดแล้วเราก็ไปจ้างช่างมาเอาไปคุมการก่อสร้างไปอะไรแทนที่จะเวลาไปนั่งสมาธิก็ไม่มีเวลาคอยมาคุมคอยไปสั่งซื้อข้าวของอซื้อกะเบื้องซื้อเห็นซื้อปูนซื้อทรายจ่ายค่าแรงให้คนงานอะไรต่างๆก็ถวายเงินให้ก็วัดไปสร้างก็เองก็หมดเรื่อง ทางว่าอยากจะสร้างอะไรอยากจะสร้างโบสถ์ราคาเท่าไหร่เอาไปเลยไม่ต้องมาสร้างให้กับทาวัดวคือผลมันได้เท่ากันมันอยู่ที่จำนวนเงินที่เราสละไปถ้าเราสละสิบล้านแบบโอนเงินปั๊บหรือสละสิบล้านแบบไปวางไ ป, ไปไปออกแบบสร้างโบสถ์สร้างเจดีไปจ้างช่างผู้รับเหมาไปคุมงาน ไปซื้อวัสดุก่อสร้างอะไรทุกอย่างมามันก็เหมือนกันขาอย่าล่ะเสียเงินสิบล้านเท่ากันมันก็ได้บุญเท่ากันแต่มันเสียเวลามันกลับมาทําให้ใจเราต้องมาวุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆช่วยให้คนอื่นเขาไปวุ่นวายดูอ่ะคนที่เขายังภาวนาไม่เป็นคนที่เขายังไม่หรือคนที่เขาภาวนาสำเร็จแล้ว เช่นไปถวายหลวงตาท่านก็ท่านต้องการสร้างอะไรท่านก็ทาได้ท่านคุมได้ท่านไม่มีปัญหาเพราะท่านไม่ต้องมาภาวนาเหมือนพวกเราถ้านเรียนถ้าเป็นนักศึกษาก็จบแล้วนักศึกษาจบแล้วก็ไปทำงานได้แต่พวกเรานี่ยังเรียนอยู่นี่เราไม่คนที่จะไปทำงานคนที่จะศึกษาให้มันจบก่อนจบแล้วค่อยไปทำจะดีกว่า อันนี้ก็พูดเรื่องของนักบุญกับนักบวชบางทีมันนับมาชนกันได้มาทําให้ทําให้ไม่สามารถเจริญไปในทางนักบวชได้เพราะเดี๋ยวจะเอากิจกรรมของนักบุญมามาร่วมซึ่งถ้าจะร่วมก็ร่วมได้แต่ต้องร่วมแบบวิธีที่ไม่มาขัดกับการเป็นนักบวชไม่ให้เอา เอาเวลาของนักบวชไปทำงานของนักบุญจะทำบุญก็ทำบุญแบบไม่ต้องเสียเวลามากไปธนาคารก็ได้ไปโอนเงินที่ธนาคารถ้าไม่มีมือถือโอนก็ไปโอนที่ธนาคารโอนอย่างมากก็ชั่วโมงก็เสร็จจบแล้วเราก็สบายใจสุขใจได้ทำบุญรวดเร็วปว่าเสมา ถวายให้วัดสิบล้านกับไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ให้วัดสิบล้านอันไหนมันจะสบายกว่ากันมันก็ได้บุญเท่ากันเสียเท่ากันเสียสิบล้านเหมือนกันก็โอนไปเลยให้วัดเขาไปทําก็วัดอยากจะสร้างเจดีย์ก็สร้างไปสร้างโบสถ์ก็สร้างไปเราไม่ต้องไปสร้างถวายให้เหนื่อยเราเอาเวลาไปภาวนาดีกว่า ทานเราก็ได้บุญเราก็ได้แล well. like ah. ้วเราก็ได้ส <Sc fres shortly>. ิบล้านเหมือนกันได้บุญสิบล้านเหมือนกันถวายวัดไปสิบล้านให้วัดเขาไปสร้างเองหรือเราไปสร้างให้วัดสิบล้านมันก็เหมือนกันบุญที่เราได้ก็เหมือนกันแต่เวลาที่เสียไปมันเสียโดยที่เราจะเสียเวลาที่เราจะมาเจริญสติเจริญปัญญาอันนี้เราจะไม่ได้กันเราจะเสียอันนี้ไป แล้วถ้าเราไม่ระวังมันเวลาไม่มีใครรู้ว่ามันจะหมดเมื่อไหร่เกิดต้องมีอะไรตายขึ้นมาทันทีทันใดก็จะไม่ได้ไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาไปได้เพียงแต่บุญบุญก็ทำให้เรากลับมาเกิดพบหน้าก็ก็มีเงินรอเราอยู่มีเงินสิบล้านที่เราไปทำบุญนี้รอเราอยู่บวกกับดอกดอกอาจจะมากกว่า ตอนเพราะมันกวาจะกลับมาเกิดมันอีกหลายปีเป็นร้อยปีก็ได้แต่เราจะไม่ได้ไปนิพพานกันเราจะไม่ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดกันเรายังต้องกลับมาเกิดอยู่ได้เรื่อยแล้วถ้ากลับมาเกิดคราวหน้าไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีวันรู้จากวิธีที่จะหยุดการกลับมาเกิดได้ ก็ต้องรอจังหวะให้ได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาอย่างเหมือนที่เรามาพบกันในตอนนี้ถ้าพบแล้วเราไม่เอาเวลาอันมีค่านี้มายุติการเวีนว่ายตายเกิดมาโม่แต่คอยสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ถวายวัดนี้มันก็ไปมันก็หยุดไม่ได้ฉะวิธีที่ถูกต้องก็ต้องเอาเวลามาปฏิบัติ อย่างที่เคยเล่าให้ฟังสามีภรรยาเศรษฐีคู่หนึ่งคู่หนึ่งที่เป็นพระอาจารย์พรหมตอนหลังเป็นพระอาจารย์พรหมเนี่ยท่านก็ไม่เสียเวลากับทรัพย์สมบัติมีก็ยกให้คนอื่นไปเลยไม่มีลูกก็ยกให้คนอื่นไปใคอยากได้โควัวควายก็มาเอาไปใครอยากจะได้บ้านก็มาเอาไปคนอยากจะได้นาก็ให้ไปให้ชาวบ้านเพื่อนบ้านไปให้หมด แ้วตัวท่านสองภรรยาสามีก็ไปบวชกันไปเป็นนักบวชเลยไม่ต้องมาวุ่นกับเรื่องการทําบุญอีกต่อไปปฏิบัติมันอย่างเดียวเจริญสติเจริญปัญญาถ้าทำอย่างนี้ไม่นานท่านก็บรรลุแอาจารย์พรมนี้กระดูกท่านตายไปก็กลายเป็นพระธาตุเพราะท่านรู้จักอาจารย์ดีรู้จักหลวงปู่มั่นรู้จักตั้งแต่ยังไม่บวชศรัทธา พอบวชก็มุ่งไปสู่หลงปู่มั่นพอไปศึกษาไปปฏิบัติตามที่ท่านสอนไม่กี่ปีท่านก็บรรลุกัน น, นันเราต้องแยกฐานะของเราให้ชัดเจนว่าเราเป็นนักบุญหรือ น, นักบวชกันนะถ้าเราเป็นนักบุญก็เอาเลยอยากจะไปทอดกระถินที่วัดไหนผ้าป่าที่วัดไหน อยากจะไปอินโดอินเดียไปกราบพระพุทธเจ้าที่ไหนไปมันเลยมีเงินไปเลยใช้มันไปให้หมดหมดแล้วจะได้ไปเป็นนักบวชแต่เงินเดี๋ยวถ้ามันยังไม่หมดมันก็อย่างใหญ่จะใช้เงินอยู่นั่นอยากจะทําบุญอย่างเนี้นะอยากจะไปถวายสังฆทานอยากจะไปสร้างอะไรต่างๆนี่ อนนวัดยานก็จะสร้างบุสบกเห็นอ่อนประดิษฐานอัฐิของสมเด็จพระสังฆราชขครอยากจะไปสร้างขาไปสร้างไปร่วมบริจาคเนขาติดป้ายประกาศไว้ให้มาดูได้วันที่หนึ่งถึงยี่บห้ามีนาคมจะมีการสร้างบุสบกเห็นอ่อนนะคเป็นพวกนักบุญก็มาเลยมาจากสารทิศต่างๆ ถ้าเป็นนักบวชก็เข้าป่ากันไปคนละทางกันเราต้องรู้ฐานะของเราไม่ใช่เป็นนักบวชแล้วพอได้ข่าวว่ามีโอ้ยงานของสมเด็จสังฆราชสำคัญต้องออกมาจากป่าต้องมาช่วยงานนี้ก่อ น, นโดนกิเลสมันหลอกอะไรกิเลสมันชอบออกข้างนอกมันไม่ชอบเข้าป่ากิเลสมันชอบออกมาตามบ้านตามเมืองในบ้านในเมืองนี่กิเลสเต็มไมหมด ในป่าในเขานี่กิเลสไม่ค่อยมีเชื่อไหมเป็นเดียวกันที่ก็อยู่ในป่าในเขาพระเนนที่อยู่ในป่าในเขาท่านไม่ค่อยมีกิเลสตัณหานะแต่พระเนนที่อยู่ในบ้านในเมืองนี้กิเลสเต็มไปหมดต น, นต่เมื่อไรตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจมาตามจับอราอนู่นะนี่แหละคือเรื่องของ ธรรมะเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยบางทีถ้าไม่พูดก็อาจจะมองไม่เห็นภาพอาจจะสับสนเอ๊ะทําบุญถูกหรือเปล่านั่งสมาธิขาดกันหรือเปล่าไปนั่งสมาธิแล้วไม่ได้มาทําบุญให้กู บ, กบาอาจารย์ไม่ได้ทําบุญกับให้อตอนนี้สังฆราชองค์ใหม่มาไม่ได้ไปมุติตาผิดหรือเปล่าแล้วนั่งภาวนาอยู่ในป่างี้ผิดหรือเปล่ า, ล า, ล า, ลาไม่ผิดหรอกอยู่ที่ว่าเราอยู่ใน ฐานะไหนเราเป็นฐานะนักบวชหรือเราเป็นฐานะนักบุญถ้าเรายังเป็นนักบุญอยู่ไปเลยสังฆราชมองหมายมาแนละ้วไปมุติตาจิตไปทำบุญอะไรกับท่านกับไปเลยถ้าเป็นนักบุญแต่ถ้าเป็นนักบวชกำลังพุทโธอยู่ในป่าอย่าออกมาไม่ใช่เรื่องของเราแล้วคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันหน้าที่ของนักบวชนี่คือเจริญสติพุทโธพุทโธ หยุดความคิดปรุงแต่หยุดความอยากต่างๆอันนี้เป็นหน้าที่ของนักบวชมันสำคัญกว่าเพราะถ้าหยุดความอยากได้มันหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้หยุดความทุกข์ต่างๆได้การเป็นนักบวชนี้มันหยุดความอยากบางชนิดท่า น, นเองความอยากที่จะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยนี้หยุดได้แทนที่จะไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าก็เอาไปทาบุญสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ถวายสังฆทานผ้าป่าอะไรไป อันนี้มันก็จะทำให้เราหยุดซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆได้ซื้อของซื้อความสุขทางตาหูจมูกริ้กายได้เช่นไปท่องเที่ยวไปอะไรต่างๆก็เอาเงินนี้มาทำบุญแทนอันนี้นักบุญก็ทาหน้าที่อย่างนี้หยุดความอยากที่จะใช้เงินที่จะไปซื้อของที่จะทาให้เราติดอยู่กับการการการใช้เงินอยู่เรื่อยๆ แล้วพอเงินขาดมือไม่มีเงินก็จะทุกข์จะเดือดร้อนพอไม่สามารถไปซื้อความสุขต่างๆได้แต่ถ้าเงินมาทําบุญพอไม่มีเงินไปเที่ยวก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็ไม่เดือดร้อนอันนี้ก็เป็นประโยชน์จากการทําบุญทําทานหยุดความอยากที่จะซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆได้ซื้อของที่เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจซื้อสุรายาเมล หรือเอาไปเล่นการพนันไปไปเที่ยวตามสถานบันเทิงสถานท่องเที่ยวต่างๆของพวกนี้มันเป็นพิษภัยกับใจเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดของใจเวลาไม่ได้เสพแล้วมันหดเหงิดรำคาญเศร้าหมองว้าเวคนที่เคยออกเที่ยวบ่ยบอยๆนี่พอต้องอยู่บ้านคนเดียวมันจะเหงาซึมเศร้าแต่ถ้าได้ออกนี่โหยเมน เหมือนปลาได้น้ำก็ถึงมีคำพูดว่าเวลาไปเหมือนไก่บินเวลากลับมาเหมือนหากินเวลาได้ออกนี่โหยดีใจพอกลับบ้านนี่คอพับกลับมาแต่ถ้าไปไปทำบุญจะไม่เป็นอย่างนั้น เวลาไปทำบุญก็มีความสุขกลับมาบ้านก็มีความสุข น, นี่คือประโยชน์ของการเป็นนักบุญต้องทำบุญก่อนเพื่อเราจะได้มีกำลังที่จะรักษาศีลรักษาศีลห้าได้พอรักษาศีลห้าได้เราก็จะมีกำลังรักษาศีลแปดต่อไปได้พอเรารักษาศีลแปดได้ทีนี้เราก็มีเวลามาเจริญสติมีเวลาเจริญปัญญาแล้ว ถ้าเราม า, มาปฏิบัติแล้วทีนี้เราก็าจะต้องทำบุญทำทานก็ทำได้แต่ทำแบบง่ายๆทำแบบไม่ให้เสียเวลามากโอนเงินเข้าบัญชีขององค์กรสาธารณต่างๆก็ได้องค์กรการกุศลต่างๆสภากาชาติไทยโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลจุฬาหรือมหาวิทยาลัยจุฬา เราเป็นสิทธิ์เก่าจุลาเราอยากจะสนับสนุนเราก็โอนเงินเข้าบัญชีไปเลยก็นี่ก็ได้บุญเหมือนกันบุญมากบุญน้อยมันอยู่ที่จํานวนเงินที่เราเสียไปส่วนเวลาที่เรามาเสียนี่มันได้บุญน้อยมันไม่ท้าจะไม่ไดอ้อาจจะได้ความวุ่นวายไปเสีย้ยวเปล่าสมัยก่อนมันอาจจะต้องทำเองแต่สมัยนี้มันไม่ต้องทำเองมีคนเข้าม า, าทาให้แล้ว เราก็โอนเงินให้เขาไปเลยถ้าเรามีมากเราอยากจะทำเงินเพราะว่าเรารู้ว่าเงินนี้เดี๋ยวตายไปแล้วก็ออกไปไม่ได้เราก็อยากจะทำบุญแล้วอยากจะภาวานาก็ยังทำได้แต่ต้องรู้จักวิธีทำแบบไม่ให้มารบกวนการภาวานาของเราทำแบบโอนเงินไปเลยโอนเงินเข้าบัญชีนี่ดีที่สุดกดตัวเลขเนี่ยสมัมนี่มือถีกดไม่ถึงนาทีก็เสร็จแล้ว กฎหมายเลขบัญทีที่จะโอนเข้าไปแล้วก็แป้งเดียวมันก็ไปแล้วจบแล้วก็มานั่งพุโทโธได้แล้วสบายมีความสุขโอวันนี้เราได้ทําบุญแล้วอมีความสบายใจแล้วทีนี้เราก็มาพุโทโธพุโทโธได้งานเจริญสตินี้มันสําคัญมากเพราะมันจะทําให้ใจเราสงบแล้วมีความสุขแล้วจะทําให้เรา สามารถใช้ปัญญามาหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าไม่มีความสงบนี่มันสู้ความอยากไม่ได้พวกที่เป็นนักบุญนี่ถึงยังต้องอยากนู่นอยากนี่อยู่สู้มันไม่ได้อยากกินอยากดื่มอยากดูอยากฟังอยู่แต่ถ้ามาภาวนาแล้วทาใจสงบได้มันจะสู้ความอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากอะไรได้ เราเรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขทดแทนนะทดแทนความสุขที่ได้จากการดูาการฟัง <c oughs> การเดิมการรับประทานแล้วนะถ้าเราสามารถหยุดความอยากต่างๆได้หมดก็จะไม่มีอะไรมาบรบกวนใจเราอีกต่อไปไม่มีอะไรจะมาฉุดลากใจให้เราไปมีร่างกายอันใหม่เพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายอันใหม่เป็นเครื่องมือหาความสุขแล้ว ว่าเรามีความสุขได้จากการใช้สติใช้ปัญญาสองตัวนี้เป็นตัวสร้างความสุขที่วิเศษที่สุดในโลกนี้มีสติก็คือหยุดความคิดปุงแต่งได้มีปัญญาก็หยุดความอยากต่างๆได้ตัดความอยากได้อย่า ง, อ ย, างอย่างราบคาบอย่างถอนรากถอนโคนถ้าหยุดด้วยสติมันเพียงกดเอาไว้เหมือนเอาหินไปทับยา หินทับยากยากมันก็ไม่งอกออกมาพอยกหินออกเดี๋ยวมันก็งอกต่อได้แต่ถ้าใช้ปัญญานี้ปัญญาจะถอนรากของหญ้าออกไปเลยพอหญ้าถูกถอนออกจากดินแล้วรากของมันไม่มีแล้วทีนี้มันก็ขึ้นไม่ได้แล้วมันตายอย่างราบคาบความอยากนี่จะให้มันหมดอย่างราบคาบนีทั้งหมดด้วยปัญญาต้องเห็นโทษของการทาตามความอยากว่าเป็นการนาไปสู่ความทุกข์ การที่เราทำตามความอยากเพราะเราคิดว่านำไปสู่ความสุขใช่ไหมอยากจะได้สิ่งนั้นเพราะคิดว่าได้มาแล้วจะให้ความสุขกับเราแต่มองไม่รอบคอบมองไม่กว้างมองไม่ไกลมองมองแต่เฉพาะเวลาได้มาไม่ได้มองเวลาเสียไปว่าของทุกอย่างเราได้มาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียไปเวลาเสียไปมันสุขรละทุกข์กันนะถ้าไม่ปถ้าไม่ได้มามันก็ไม่ต้องเสียใช่ ถ้าไม่มีท้าไมเสียก็ไม่ต้องทุกข์ใช่ไหมแล้วไปแก่งเท้าไปหาเสียนทาไมเก็บเท้าไว้เฉยๆไม่ดีกว่าไปจ่อแก่งไปหาเสียนเลยแล้วก็มาลองว่าเจ็บแล้วลองทุกข์กันทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาทุกข์กับลูกก็ใครบอกให้ไปมีสามีให้ไม่มีภรรยากันก็ความอยากนี่แหละอยากมีกันเพราะความหลงหลอกว่ามีแล้วจะมีความสุข มันก็สุขเหมือนสุขตอนต้นไงสุขตอนได้มาแต่เวลาตอนเสียไปมองไม่เห็นคิดไม่รอบคอบคิดไม่กว้างคิดไม่ไกลคิดแต่เอาแต่ได้คิดว่าได้แล้วจะมีความสุขก็กล่าวแค่นี้แหละแต่ไม่คิดว่าแล้วเวลาเสียจะเป็นยังไงทุกอย่างที่เราได้มาเราต้องเสียมันไปนะเพราะนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้ พอร่างกายที่เราใช้หาสิ่งต่างๆเราก็ต้องเสียมันเมื่อเราเสียร่างกายแล้วเราจะเอาของต่างๆที่เรามาอยู่เราจะไปรักษามันได้อย่างไรที่เรารักษามันได้ตอนนี้เพราะเรามีร่างกายรักษามันได้อยู่แล้วพอร่างกายไม่มีแล้วของต่างๆที่หามาได้ก็หมดไปยังไม่มีใครอยากจะตายกันเนี่ยพรตายแล้วมันต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่างกันไม่คิดก่อนถ้าคิดลงหน้าก่อนว่า มีร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกข์อีกซู่ไม่มีร่างกายดีกว่าต่ไม่มีร่างกายก็ต้องไม่ต้องใช้ร่างกายหยุดใช้ร่างกายจะหยุดใช้ร่างกายได้ก็ต้องมีสติมีปัญญาถ้ามีสติมีปัญญาใจก็สงบมีความสุขก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่มีความอยากก็จะถูกทาลายหมดด้วยปัญญาพอไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องมีร่างกาย แต่มีความสุขมากกว่าการมีร่างกายพระพุทธเจ้ากับพระสาวกนี้ท่านมีความสุขในตอนนี้มากกว่าตอนที่ท่านมีร่างกายท่านจึงไม่กลับมามีร่างกายว่ากลับมามีร่างกายแล้วมันต้องมาทุกข์กับร่างกาย <โ frustrating. S 1> ทุกข์เพราะร่างกายมันต้องหิวมันต้องกินต้องดื่มต้องอาบน้ำให้มันเลี้ยงมันอะไรทำอะไรต่างๆให้มันแล้วต้องมาแก่ต้องมาเจ็บมาตาย คนจะลาจึงไม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายมาเกิดแตมไม่มาได้ก็ต้องมีสติมีปัญญามีความสุขในใจแล้วก็มีปัญญาที่เห็นว่าการทำตามความอยากนี่เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขก็จะเลิกหาได้พออยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบอยากจะดื่มสุราก็ไม่ดื่มอยากจะดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มอยากจะดูละครก็ไม่ดู ดูกี่เรื่องมันก็ดูมันก็ไม่เคยอิ่มไม่เคยพอก็ยังอยากดูอยู่เรื่อยๆยังอยากดื่มอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าไม่ดื่มมันสักพักไม่ดูสักพัก่มันหายไปแล้วทีนี้จะดูหรือไม่ดูก็ไม่เดือดร้อนจะมีดื่มหรือไม่ดื่มก็ไม่เดือดร้อนนี่แหละคือทำไมเราต้องมาเป็นนักบวชกันถ้าเราอยากจะพ้นจากความทุกข์ ถ้าเราอยากจะมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้เราต้องมาหความสุขในรูปแบบใหม่ความสุขที่ได้จากการเจร i, ิญสติกับการเจริญปัญญานี่เองงั้นก็ขอให้พวกเรารู้จักเป้าหมายของเรารู้จักหน้าที่ของเราว่าเราควรจะทำอะไรกันแล้วทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเถิดแล้วรับรองได้ว่าจะไม่ผิดหวัง จะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่และจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตุทินงังเปตานางังอุปากบะติ อิชิตังปะิตังตุมหังกิปเมวะสมิจจตุสัพเพปเริตุสังกาปาจันโทปน r ระโสย t h มณิจโตติระโสย h าสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีธีขาโยโกภว อภพิวาธานาสีริตสะนิจังวุธาปจายโนจตรารธรรมวะทานติอายุวันโอสุขังภาลัวันนี้ข้ามาเกละคนนะวันนี้สูตสามอยดสิบห้าค่ะเขาสูตสามสิบสามค่ะ มีโทนี่และชาลันเข้ามาไหมยังไม่มีย่มีอะไรจะถามไหมมาจากที่ไหนกันต่างสีชาบก็กลับาอาจารย์ครับขอ้ามากันแรกไม่รมู้ว่าอะไรจะได้มาเกครับก็ไม่เป็นไรอานาคตไม่ต้องไปกังวลกับเดี๋ยวมันจะมามันมาเองอ ถ้ามันไม่มามันก็ไม่มาเป็นไงมีอะไรขัดข้องใจไม่สงสัยอะไรไหมน้องเ้าจะปฏิบัติในสัปดา์คืนนี้เจ้าค่ะแต่เมตตาแนะนำแนอนด้วยจาค่ะก็ก็ดีไงก็ไม่นอนก็จะได้เอาเวลามาปฏิบัติสติถ้ายังไม่มีสติก็ฝึกสติไปก่อนถ้ามีสติก็นั่งสมาธิมากๆให้จิตรวมนานๆให้นิ่งนานๆ มีสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิก็มาฝึกปัญญามองทุกอย่างให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราดูร่างกายว่าเกิดแล้วต้องแก่เจ็บตายร่างกายไม่มีตัวตนในอาการ32ผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่มีตัวเยอะไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้ตัวเราอยู่ที่ใจ ใจไม่ได้อยู่ร่างกายใจเพียงส่งกระแสมาเกาะติดอยู่กับร่างกายมายึดคล้องไว้ชั่วคราวเดี๋ยวร่างกายก็ต้องตายเวลาตายก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปจะได้ไม่กลัวไม่ทุกข์กับร่างกายด้เห็นความจริงอันนี้คือการเจริญปัญญาแตจะจะได้ผลก็ต้องเวลาเกิดความทุกข์ใจเกี่ยวกับร่างกาย ตอนนี้เราเพียงแต่ทําการบ้านไปก่อนเตรียมทําข้อสอบเดี๋ยวเวลาร่างกายเป็นมะเร็งขึ้นมาจะได้ทาข้อสอบได้ไม่ทุกข์กับมันถ้าไม่ทําการบ้านไว้ก่อนเดี๋ยวมันเป็นอะไรขึ้นมาจะทำใจไม่ได้จะทุกข์จ ะ, จะวุ่นวายใจแต่ถ้ารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นดินน้ำลมไฟ หมอเก่งขนาดไหนวิเศษขนาดไหนก็ห้ามไม่ได้ถึงเวลามันจะตายเราก็ปล่อยมันตายไปอย่าไปอยากยให้มันไม่ตายเพราะความอยากไม่ตายนี้มันจะทาให้เราทุกข์ทรมานใจเวลาเจ็บก็อยา่าไปอยากให้มันหายหเจ็บมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปฝึกนั่งกับความเจ็บไปให้มันชินกับความเจ็บอยู่กับความเจ็บให้ได้ อย่าไปอยากให้มันหายเจ็บเพราะมันจะทระมานมันจะทนไม่ได้แต่ถ้าไม่มีความอยากให้มันหายเจ็บจะจะทนกับความเจ็บได้จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บผ ม, ผมปฏิบัติมาพ <WAS S 2> <ฆ>ักระยะหนึ่งมันก็บางทีมันก็ดีขึ้นมันไม่มีตัวมาแล้วมันก็เงียบสงบแต่มันยังไม่ถึงกับตกหลุอย่างที่อาจารย์ว่า <Lis>: แล้วก็ ความอยากมันก็ลดลงเดนี้ทีวีก็ครับไม่ได้เปิดไม่ได้ไปทำอะไรในบิ๊ติดก็เแต่วันไม่ไม่จกลุงแต่ว่ามันคงเงียบคงต้องทํามากขึ้นทำมากขึ้ น, นต้องไปอยู่คนเดียวจะได้ทําได้เต็มที่แต่ยังอยู่บ้านยังต้องมีภารกิจอย่างอื่นต้องทำอยู่อยู่บ้านสองคนคับแม่บ้านแต่อยู่คนละห้องครับอก็อดีหลายปีแล้วครับเอ่าส ป, ปีแล้วสิบสี่ อ๋อดีอ่าก<ป>็ดีก็ต้องควบคุมความคิดไว้ให้ได้แล้วต้องนั่งสมาธิให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้น อ, อ, อมันจะรวมได้บางทีต้องผ่านความเจ็บไปก่อนเวลานั่งก็เจ็บอย่าไปลุกพุโทโธต่อไปดูลมต่อไปก็เคยนั่งเจ็บแล้วมันก็จะประมาณชั่วโมงแล้วก็เจ็บก็หายไปเลยห<ม>ายไปมันก็พอมันหายแล้วใจก็จะสงบลงไป บางทีมันไม่ต้องตกหลุมตกบ่อ ก, ก็ได้มันมันทีมันเข้าได้สองแบบเข้าแบบค่อยๆเข้าไปค่อยๆสงบเข้าไปบางทีก็แบบพวดพลาดเข้าไปนอย่างใดก็ได้<อ>สงสัยว่ามันสงบแล้วมันยังไม่ตกหลุมนี่แสดงว่ายังไม่ได้กับมาจริงหรือเป่ถ้ามันนั่งเฉยๆได้ไม่ไม่วุ่นวายกับความเจ็บปวดของร่างกายได้ก็ใช้ได้ก็เป็นสมาธิอย่างนี้น อ, อะ ยมประมาณว่าเคยเคยได้ปิตินะแต่ตอนหลังมันไม่ปิติคะคือนั่งลงพูดโทแล้วมันก็ใหม่ใหม่มมม่มันจะปิติแต่ต่อไปมันชินแล้วมันจะไม่ปิติไม่ไม่ต้องกังวลมันจะผ่านปิติไปเราต้องการให้มันนิ่งให้มันเป็นอุเบกขาแต่ใหม่ๆมันอาจจะมีปิติมีสุขมีขอนลูกอะไรต่างๆแต่พอครั้งต่อต่อไปมันอาจจะไม่เป็น ก็ก็ก็รู้สึกว่ากำหนดคือสติอยู่กับอารมณ์ได้บางอย่างเมื่อก่อนเคยระเทือนใจอาจจะร้องไห้หลายวันเดี๋ยวจักๆก็หายเร็วขึ้นผ่านผ่านแต่ยังต้องไม่มีเลยต้องไม่มีเลยต้องเฉยๆกับทุกอย่างแล้วเมื่อก่อนว่าเราดูต้นไม้ดอกไม้หรือเราดูอะไรเงี้ยเราจะมีความสุขมาก แอ่เนี้เราดูก็รู้สึกว่าเเดี๋ยวมันก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวมันก็หามันเดี๋ยวมันก็เช้าได้ต้นไม้ดอกไว้มีครั้งหนึ่งที่บาดเมื่อก่อนที่บาดตัวเองเนี่ยตกใจกลัวมากแต่เดี๋ยวนี้จะบองมันให้เลือกอะไหอก็ดูตามความเป็นจริงไปแล้วแต่ก็หายาใส่นะะใช่ก็ทําไปไม่ไม่มันก็รักษาไปแต่ใจไม่ตื่นเต้นตกใจใจเฉยๆกับเหตุการณ์ต่างๆ ไปเวลาจะตายก็ทำแบบนี้่ะมันจะตายก็ถ้ามันยังรักษาได้ก็รักษาไปห้ามยังหยุดมันได้ก็หยุดมันถ้ามันจะตายหยุดมันไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเฉยๆไปอย่าไปทุกข์กับมันการปฏิบัติเพื่อไม่ให้เราทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างเนัเเราเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เขาต้องเป็นไปตามธรรมชาติของเขาแต่ใจของเราไม่ต้องไปทุกข์กับเขาได้ ถ้าใจไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมเวลาเห็นอะไรที่เรารักแล้วต้องเสื่อมไปจากเราไปเราก็จะเสียใจแต่ถ้าเราฝึกฝนอบรมแล้วเราจะไม่เสียใจเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาใจเราเสียไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเสียใจไปก็ไม่ได้อะไรได้แต่ความทุกข์เสียใจไปทำไมสู้รู้เฉยๆดีกว่าเหมือนตอนมีดบาดก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจ ก็าหายามาทามาหยุดเลือดไหลหยุดเลือดก่อนถ้าหยุดไม่ได้มันจะไหลจนตายก็ช่วยไม่ได้อั้นก็ต้องทำใจเมื่อแสดงความดีกินไลน์ไม่จะท้า f a c e b อ o k เวล า, ใ น, วลาใน facebook เ้วเจออะไรก็ไม่ต้องกดไลน์ใช่ไหมครับหรือว่าดูผ่านไปเฉ ย, เฉย กดได้แต่ไม่ได้กดด้วยความดีใจเสียใจกดได้กดเพื่อให้คนที่เขาทํามีกําลังใจกดได้นะได้ให้กําลังใจเขาไม่จริงใจไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นมันอยู่ที่สาเหตุตัวกดเพราอะไรบางทีเราเกลียดเวฟเกลียดอันนี้เลยกดไม่ชอบอย่างนี้ถ้าเกลียดถ้ากดด้วยอารมณ์อย่าไปทํำอารมณ์รักก็ไม่ทําอารมณ์ชังก็ไม่ควรทํา แต่ถ้าให้กำลังใจใหใจ ร, รือว่ามันทำท่าไม่ดีกดไม่ให้มันกำลังใจให้มันเลากทำก็ได้ <c oughs> แต่เราไม่ได้ทำด้วยอารมณ์เราทำด้วยเป้าหมายคือถ้าเขาทำดีเราก็อยากจะส่งเสริมเขา <c oughs> ถ้าเขาทำไม่ดีเราก็อยากจะไปห้ามปามเขาว่าอย่าทำดีกว่ากดไม่ชอบใช่ปะก่อนถามเหมือนกันได้แต่จะาทำด้วยอารมณ์ ทำด้วยเหตุผลได้พระพุทธเจ้าท่านก็ยังทําอยู่ท่านก็ชมพระรูปนี้ท่านก็ตําหนิพระรูปนี้แต่ถ้าไม่ได้ชมเพราะรักพระรูปนี้หรือตําหนิเพราะเกลียดพระรูปนี้ชมเพราะว่าพระรูปนี้ดีมีความดีอย่างนี้อย่างนี้ท่านก็ประกาศให้คนอื่นสร้างพระรูปนี้มีการกระทําที่ไม่ดีท่านก็ตําหนิติดเองนะทำแบบนี้ไม่ดีอย่าเอาเป็นตัวอย่างอันนี้ทําได้แต่ทําด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ทําด้วยอารมณ์รักหรือชัง คนที่มีจิตอุเบกขานี่จะอยู่เหนือความรักชังความกลัวความหลงจะทําอะไรเนี่ยจะไม่ไทําภายใต้อิทธิพลของความรักความชังความกลัวความหลงอยากจะจะทําด้วยเหตุด้วยผลว่าทําแล้วมันทําให้ส่งเสริมให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นก็ทําไปทําแล้วสามารถระ ง, งับสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นได้ก็ทําไปอันนี้ทําได้อ่า ทาทางบ้านถามมั่ก็ได้คําถามจากเฟซบุ o กไลฟ์คำถามจากคุณนาราวิธีที่พระพุทธเจ้าแนะนําในการดับกิเลสมีอะไรบ้างครับก็เนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยให้ทําทานเวลาอยากจะเอาเงินไปเที่ยวก็เอาไปทําบุญแทนเวลาจะจัดงานวันเกิดก็เอาเงินที่จะจัดงานวันเกิดไปเลี้ยงเด็กพิการแทนเวลาที่จะซื้อของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองเอาเงิน ที่นี้ไปซื้อของให้กับคนที่เขาเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากอย่างนี้เรียกว่าทานแล้วเมื่อเราทําทานแล้วเราจะมีใจที่เมตตากรุณาเราก็จะรักษาศีลได้เพราะว่าคนที่ทําบุญจะไม่ชอบทําบาสนั่นเองก็จะรักษาศีลได้ง่ายคนที่ไม่ทําบุญนี่จะรู้สึกรักษาศีลได้ยากกว่าเพราะเวลาไม่ทําบุญก็อยากจะทําอะไรให้กับตัวเอง ไม่อยากจะเสียเงินให้คนอื่นอยากจะเสียเงินให้ตัวเองก็จะไม่สนใจความทุกข์ของคนอื่นจะสนใจแต่ความสุขความทุกข์ของตนเองก็เลยไม่สนใจเวลาอยากจะได้ความสุขก็จะทำให้ตัวเองมีความสุขถึงแม้จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ไม่สก็ไม่สนใจก็จะไม่รักษาศีลกันแต่คนที่ทําบุญนี้จะนึกถึงความรู้สึกของคนอื่นอยากให้คนอื่นก็มีความสุข เวลาเราทำอะไรเราจะดูว่าทําแล้วทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็จะไม่อยากทำํำก็เราจะรักษาศีลได้พอรักษาศีลได้ก็จะมีกําลังรักษาศีลแปดได้จากศีลห้าก็เพิ่มเป็นศีลแปดพอมีศีลแปดก็จะมีเวลาไปภาวนาได้เพราะเราจะตัดกิจกรรมการทางร่างกายไปหมด ก็จะมีเวลาว่าตั้งแต่เที่ยงวันหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วไม่มีอะไรให้ทำก็มีแต่เวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมสลับกันไปเดี๋ยวใจก็สงบแล้วก็จะมีความสุขพอมีความสุขนี้แล้วก็จะหยุดกิเลสต่างๆได้อยากจะได้อะไรก็ไม่เอาละจบนี่คือวิธีของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเรามาดับกิเลสกัน ดับด้วยการทำทานดับด้วยการรักษาศีลดับด้วยการภาวนาข้อที่สองพระเอารหันมีอารมณ์แบบไหนครับนี่ก็เหนือความเหนือความความรักชังกลัวหลงมีอุเบกขาสักแต่ว่ารู้จิตสงบตลอดเวลาอิ่มตลอดเวลาสุขตลอดเวลาไม่สะทกสะทานกับเหตุการณ์ต่างๆใครจะดา่าใครจะชมก็ ไม่รักไม่ชังใครจะขู่ฆ่าก็ไม่กลัวเฉยๆขู่ไม่ขู่ก็ตายเหมือ น, นกันคนเรา<ม>ใช่ไหมคนมีปัญญาไม่กลัวอะไรนั้นคำถามจากคุณประพาพันปัจจุบันรักษาศีนห้าปกติแต่ที่บ้านมีปลวกเรียกบริษัทมาจัดการเราจะบาปและผิดสินไหมคะก็รู้แล้วแตว่วิธีที่เราจะเรียกเขาเรียกยังไงถ้าไปสั่งเขานี่บาป สั่งเขานี่คุณมาช่วยกำจัดปลวกให้เราหน่อยนะที่บ้านเรามีปลวกนี้บาปเราไปสั่งเขาสั่งเขาให้ทำให้เราสั่งก็ดีทำเองก็ดีบาปวิธีที่ยังไม่บาปก็บอกเขาถามเขาว่าบริษัทคุณทำอะไรอยู่จ้าแล้วก็บอกที่บ้านที่บ้านมีปลวกไม่รู้จะทายังไงจ้าถ้าเขาอาสาบอกว่าผมจัดการให้ครับอย่างนี้ไม่บาปเพราะเราไม่ได้ไปสั่งเขา เข้าวใหญ่ไหเป็นส well, no so, ัญญาที่บาปไหมคะเป็นสัญญาอะไรเนี้ยคะบาปคะสัญญาอะไรคำจัดผลเป็นปีปีเป็นอะไรปีอะไรเนี้ยก็ก็สัญญาก็สัญญาได้เขาจะกาจัดกันเรื่องของเขาเราไม่ได้ไปสั่งให้เ้ากาจัดสัญญาให้ดูอลาบ้านไม่ให้แล้วตามด้ที่เราไม่สั่งเขาเข้ามาสาธรเองเข้ามาสาธมให้เราแล้วเขาขอให้เรา ให้ความมั่นใจว่าเราจะจ่ายเงินให้เขาเราก็ทําสัญญาไปได้แต่เราไม่ได้สั่งเขามาก็จ่ายเงินเนี่ยก็นั้นแหละจ่ายเงินแต่เราไม่ได้เราไม่ได้จ่ายเพื่อให้เอจ่ายจ่ายเพราะว่าเราทําสัญญากับเขาออให้ดูแลแล้วกันนะคะเดี๋ย้บ้านดี๋ยนี้บ้านจัดสรรส่วนใหญ่เพราก็จะมีกำจัดพวกเพราะเรามาซื้อเสร็จแล้วมันก็จะต่อไปเราทำไปเราไม่ได้เป็นคนสั่งก็ไม่มีปัญหาอะไร อย่าไปสั่งแล้วอย่าไปออย่าไปสั่งหรือไปทําเองก็แล้วกันพระเนี่ยก็ห้ามไม่พระมีข้อวินัยมีมีศี่ห้ามตัดต้นไม้ว่าโบราณก็ถือว่าต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตถ้าตัดต้นไม้ก็หาว่าไปฆ่าต้นไม้นี่บางทีต้นไม้มันมามาติดหลังคาติดกุฏิก็ต้องบอกอยมวย่วาโยมทําไงดีเนี่ยต้นไม้มันโยมบอกไม่เวลาเดี๋ยวผมจัดการให ก็เหมือนกันเวลามีปวดก็บอกโยมาทําไงเนี่ยปวดขึ้นละเขาบอกไว่าเวลาเดียวมันจัดการให้เพราะเขาทาบาปมากกว่านี้ก็ยังไม่กลัวเลยแล้วก็ปวดเรื่องมันเป็นเรื่องปกติของเขาอ่ะเขาก็ไปยิงนกตกปลาจับปลามากินอยู่เป็นปกติของเขาอยู่แล้วดังนั้นการที่มาทําค่าปวดเขากลับดีใจที่เขาได้ทําบุญอ่าใช่ไหมแต่เขายังอยู่ในสภาวะของผู้ใจบาปอยู่ แต่อย่างนั้นเราก็ช่วยเขาได้ทำบุญแต่ทำบุญแบบนี้ก็ยังไม่ดีแต่แต่ก็ต้องทำของเขาในแบบที่เขายังทำได้อยู่เขาทำแบบอื่นไม่ได้ดีกว่าไม่ได้ทำคำถามจากคุณสปิริตชูทาง YouTube ค่ะพระอารหันต์ทำไมกระดูกถึงเป็ น, าานพรลพาสคะเพราะใจของท่านมันไม่มีอารมณ์ใจไม่มีความโกรธความเครียด ความเครียดความกลัวนี่มันกัดก่อนจิตใจเอ้กัดก่อนร่างกายนะเห็นไหมคนที่เครียดนี่ผมขาวเลยสังเกตคนที่เป็นนายกเลยคนไม่บางคนบางคนบางคนอันนี้อาจจะเป็นกรรมพันธุ์แต่นี่เปรียบเทียบคนที่คนที่ไม่เป็นนายกนี่เวลาไปเป็นนายกใหม่ๆนี่หน้าตายังสดใส พอเป็นนายกไปสักสี่ห้าปีนี่ดูแก่ดูผมหงอกเยอะเลยแล้วพอพ้นจากตําแหน่งไปไม่กี่ปีก็กลับมาดูสดใสขึ้นเพราะว่าไม่ต้องมาเครียดทำงานกับการมันไม่ได้เครียดแต่มันเรื่องวุ่นวายเรื่องยุ่งเหยิงมันก็ทําให้ใจต้องป่วนต้องคิดมันไม่สงบไงแต่ใจที่สงบนี่มันไม่มากระทบกระเทือนร่างกายแล้วยังจะมาฟอกกระดูกให้กระดูกนี่มันกลายเป็นาธาตุขึ้นมา แต่ไม่ได้เป็นทั้งทั้งร่างกายนะกระดูกทุกชิ้นทุกส่วนกลายเป็นธาตุไม่ใช่นะอาจจะเป็นเพียงบางส่วนบางจุดนิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยท่านเองนั้นบางหรือบางองค์นี้อาจจะไม่มีก็ได้มันไ ม, ไม่ไม่แน่นอนนั้นะนะถ้าเราจะไปพิสูจน์ว่าคนนี้เป็นอรหันต์เพราะดู ด, ดูดูที่กระดูกอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะท่านบอกว่าบางทีขึ้นอยู่กับเวลาที่ท่านเป็นว่าเป็นนานไม่ก่อนจะตาย ถ้าเป็นไม่นานเวลาที่จะฟอกเหมือนก็น้อยเหมือนเสื้อผ้าที่เราแช่ในในน้ำถ้าเร า, เราแช่ไม่นานมันก็มีโอกาสที่จ ะ, ะซักให้มันสะอาดกว่าถ้าไปแช่ปั๊บเดี๋ยวเรายกขึ้นมามันก็จะไม่สะอาดครับยิง่งบางทีก็ไม่แน่ว่าท่านท่านเป็นนานหรือเปาก่อนที่ท่านจะตายบางทีท่านไม่มาเป็นตอนบ้านปลายของชีวิตนี้พอพ อ, พอท่านตายไปมันก็ไม่เป็นก็ได้ หรือท่านอาจจะไม่เป็นก็ได้เราก็ไม่รู้เพีงแต่ว่าบางทีเราก็เชื่อว่าท่านเป็นบางทีคนเขาก็ร่ำหรือว่าท่านเป็นแต่ความจริงท่านอาจจะไม่เป็นก็ได้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้อย่างแน่นอนว่าเวลากระทานตายไปแล้วก็ถูกท่านเป็นไม่ไม่เป็นพัฒนานี้แสดงว่าท่านไม่เป็นหรือเป็นแต่สิ่งที่เราจะพิสูจน์ได้จากท่านก็คือเราไปศึกษากับท่านเนี่ย แล้วท่านสอนวิธีทําให้เราเป็นอรหันแล้วเราเป็นขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็คงจะไม่สงสัยว่าท่านต้องเป็นหรือไม่เป็น <c oughs> ถ้าถ้านไม่เป็นท่านจะมาสอนให้เราเป็นได้ไหมถ้าถ้าโยมทําขนมเค้กไม่เป็นเป็นศึกษาก็โยมโยมจะสอนให้เราทําขนมเคก้ก <c oughs> ได้ป่ะ <c oughs> ใช่ไหมแต่ถ้าโยมทําเป็นเราไปเรีอนอยนกับโยมโยมสอนให้ทําวิธีนี้วิธีนี้เราก็ทําตามเราก็ได้ขนมเคก้กเราก็ต้องเชื่อว่าโยมรู้จักวิธีทําขนมเค้ก ถ้าอยากจะรู้จริงๆต้องรู้แบบนี้ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ที่เราคิดว่าท่านเป็นพระอราหันตะ์แล้วเราก็ลองไปปฏิบัติตามที่ท่านสอนดูแล้วถ้าเกิดเราเป็นขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าโอ้ใช่แน่ๆนะไม่สงสัยเอเนี่ยพระสาวกทั้งหลายท่านยึงไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าเพราะท่านเรียนจากพระพุทธเจ้าพอฟังเทศฟังธรรมแล้วก็บรรลุขึ้นมาเลยแล้วท่านจะไปสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่เย ไม่ต้องมารอดูว่าตายไปจะเป็นพระธาตุหรือไม่เพราะพิสูจน์ได้อย่างนี้ต้องพิสูจน์อย่างนี้คำถามจากคุณพรพิษจะแก้โลกจะแก้โลกกรรมของคุณพ่ออย่างไรคะคุณพ่อสามารถสวดมนต์ได้แต่ให้นั่งสมาธิทําไม่ได้คะ่ะกรรมใครกรรมมันไงพ่อคุณพ่อต้องแก้เองแล้วกรรมเก่าก็แก้ไม่ได้แก้ได้ก็คือกรรมใหม่ก็อย่าไปทํากรรมใหม่ กรรมเก่าก็ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นมารับมันไปแต่เราจะไม่สร้างกรรมใหม่ต่อไปพอกรรมเก่าหมดก็จะไม่มีกรรมอะไรมารบกวนเราอีกต่อไปเที่พระเจ้าสอนนี่ก็สอนให้เรามาหยุดกรรมใหม่กันทําบุญกันทำกรรมทำกรรมดีกันละกรรมบาปกันละการกระทําบาปกันแล้วก็หยุดตัวที่จะมาให้เรามาเกิดกันะ ถ้าเราหยุดการเกิดได้เราก็ไม่ต้องมารับผลของบาปกรรมที่เราทํากันคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีคนบอกว่านั่งแล้วเห็นกิเลสมายเยอะเยอะอันนี้เป็นจริงหรือไม่ครับอันนี้ก็เป็นความคิดของผู้ปฏิบัติไปเองเวลาเรานั่งสมาธิพุทโธพุทโธจิตกิเลสมันก็อาจจะมายั่วยัโอได้ไว ไปดูหนังแล้วไม่ไดฉันไปดูหนังมาสนองนะ <c oughs> เอออันนี้พ <c oughs> ระดานเนี่ยยังมีหลวงตาท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าท่านก็มีกิเลสมาเยอะยอะเยอะเยอะท่านท่านไปภาวนาปีกไม่เวกแต่ก็ไม่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านตอนดึกตอนคืนก็ก็จัดงานเลี้ยงร้องนําทําเพลงกักิเลสก็มาเย่อหลวงตาว่ามึงนั่งที่คนเดียวทําไมไม่ไปร้องนําทําเพลงกับเขา จิตเป็นหลอกไงคิดไงเหมือนก็บกิเลสมายาย่อเยอะอย่างท่านก็ฉลายความหลอกแล้วพวกน้ำไอ้พวกที่มันน้องนําทําเพลงมันได้อะไรวะมันได้หลุดพ้นจากความทุกข์รู้ปะอย่างท่านมีปัญญาแก้มันยอะเยอะเราแล้วก็ยอะเยอะกลับไปแล้วมึงได้อะไรจากการไปน้องนําทําเพลงมึงน้องนําทําเพลงมากี่กี่แสนละกี่แสนล้านชาติแล้วเมื่อไหร่มึงจะหยุดอะไม่มีวันหยุดนี่กูจะหยุดนะกูจะหยุดด้วยการมาอยู่คนเดียวเนี่ย มาทำใจให้สงบนี่คือวิธีแก้กิเลส ข, ของนักปราชญ์ของคนฉลาดถ้าไม่งั้นเดี๋ยวบางทีเห็นเขาร้องนำทำเพลงแล้วคิดถึงอดีตคิดถึงตอนที่เราเป็นคาราวาช เ, เคยไปเที่ยวร้องนำทำเพลงกันสนุกะนานกันก็เดี๋ยวดีไมด่ดีใจนอนขึ้นมากลับบ้านสึกเลยคำถามจากคุณใจนั่งสมาธิแล้วสงบนิ่งตัวเบา ไม่รู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ไม่รู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกได้ยินเสียงที่มากระทบอยู่แต่ไม่ได้รู้สึกกับเสียงนั้นฝักแต่ว่าได้ยินทำอย่างไรจึงจะบรรจะเจริญปัญญาได้คะออตอนนั้นยังไม่ไม่ใช่เวลาจเจริญปัญญาเวลานั้นให้มันว่างอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็พยายามรักษาให้มันว่างถ้ามันมีกิเลสมีความอยากมาทาลายความว่างนี้ถึงต้องใช้ปัญญา เป็นกิเลสมันชวนให้ไปกินกาแฟก็อยากกินอยู่กับความว่างดีกว่ากาแฟกับความว่างอันไหนดีกว่าอันนี้ต้องใช้ปัญญาเปรียบเทียบถ้ามีปัญญาก็จะเห็นว่าอยู่กับความว่างดีกว่าถ้าอยู่อยู่กับกาแฟเดี๋ยว ก, กาแฟก็หมดหมดแล้วก็เดือดร้อนอ่ามันต้องเสพติดอยู่เรื่อยถมันต้เสพติดบางพีเขาก็ไม่กินก็ได้แต่ถ้าเราไม่ฉุก ไม่บาปหรอกพี่ไม่บาปเลยดีสิแต่เขาจะได้ไม่ต้องมีมารมาผชนเนี่ยทุกทุกอาเขาดูแลแต่เดานก็เายังหยาบอยู่สิป้ายก็ชงเองสิอะไรกาแฟด้วยเดียวชงไม่เป็นถ้าชงไม่เป็นก็อยากกินะ คุณไม่ว่าอะไรจะเกิดกลับผมสวดมนต์รักษาโรคจนมีพลังแล้วแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรที่มาทําให้คนป่วยแต่ไม่ได้นั่งภาวนาจะมีบุญถึงเจ้ากรรมนายเวรไหมครับและเจ้ากรรมนายเวรจะจองเวทผมไหมครับเรื่องเจ้ากรรมนายเวรแบบนี้เราไม่รู้หรอไม่ไม่อยากจะไปตอบคําถามจากคุณนราพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคดสิบองค์มีในายพัฒ ตายปีดกไหมใครครับในพระพุทธเจ้านำะว่าอะไรครับมีอายุพระพุทธเจ้าในอนาคตเท่าไหร่ครับเออไปคนดูใน Google มีบอกไว้ <c oughs> นี่อนาคตมีองค์หนึ่งแล้วอดีตที่ผ่านมามีสามที่ท่านจําที่ท่านนึกถึงได้อดีตมีสามพาะองค์เป็นองค์ที่สี่แล้วองค์ต่อมาองค์ใหม่ที่จะมาเรียกพระ <c oughs> พระพระศรีอาร์แต่จะมีมาอยู่เรื่อยๆเพราะว่า มันเป็นเรื่องของธรรมชาติของคนที่ต้องการจะหลุดพ้นเขาก็พยายามที่จะหาวิธีหลุดพ้นแต่นานๆนมันจะเกิดขึ้นสักครั้งแต่จะมีมาอยู่เรื่อยๆในอดีตก็มีมากกว่าสา ม, มีมาเป็นร้อยเป็นพันและในอนาคตก็จะมีมาเป็นร้อยเป็นพันต่อไปเียงแต่ว่ามันระยะเวลามันห่างไกลกันมากแล้วก็จําไม่ได้หมดทุกลูกพระพุทธเจ้าก็เอาแค่องสามองค์ที่ใกล้ที่สุดมาเล่าให้ฟังว่า ตรงนี้มีอายุนานเท่าไหรอะไรเท่าไหร่องนี้เป็นยังไงท่านก็เอามาสามรูปแล้วก็พยากรณ์ว่ารูปต่อไปจะเป็นองค์นี้เชื่ออย่างนี้อย่างนี้คําถามจากคุณนภพลสรีรักที่ไม่อํานวยจะปฏิบัติให้เห็นผลจะทํายังไงให้ปฏิบัติได้ผลครับเช่นคนป่วยเนื้อรางโรคเบาหวานความดันก็ใช้สตินี่แหละ ถ้ามีสตินี้ร่างกายจะเป็นไงก็ยังปฏิบัติได้นอนบนเตียงก็ปฏิบัติได้เนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ปฏิบัติเจ็ดวันก่อนตายเห็นไหมบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เจ็ดวันก่อนตายบางทีคนเรามันต้องป่วยก่อนมันจะได้กิเลสจะได้เอาไปใช้งานไม่ได้นถ้ายังแข็งแรงเดี๋ยวกิเลสมันก็ชวนไปเที่ยวไปเล่นกันพอมันป่วยนอนอยู่บนเตียง ก, ยกิเลสก็อาไปทําเอาไปใช้งานไม่ได้ก็เลยมาใช้ทางธรรมแทนน พุทโธพุทโธอยู่ในเตียงไปอยากคิดอะไรทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็พอเกิดตัณหาความอยากก็ใช้ปัญญาดับมันตัดมันเจ็ดวันก็บรรลุดได้ดีซเอกบางทีเราต้องเอาวิกฤตมาพลิกให้เป็นโอกาสพอเวลาถ้าเราไม่มีวิกฤตนี่เราจะประมาทกันเราจะสนุกสนานเฮฮาไปกับกิเลสกันพอใกล้จะตายนี่มยรีบเข้าวัดกันใหญ่เลย S 1> <S 1> <S <S ใช่ไหมคำถามจากคุณทีเซอร์ทำไมอยากบวชแต่คนไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจว่าอยากบวชเพื่อปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นก็คนก็ไม่รู้ว่าคนที่ติดคุกทำไมถึงอยากจะออกจากคุก เ, เขาไม่รู้ว่าเขากำลังติดคุก ก, กันอยู่เขาเลยไม่รู้ว่าการออกจากคุกนี่ดีอย่างไรแต่คนที่เขารู้ว่าเขาติดคุกอยู่นี่เขาก็อยากจะออกจากคุกคุกที่เราอยู่กันตอนนี้คือคุก คุกอะไรคุกของการเกิดแก่เจ็บตายคุกนี้มีกำแพงอยู่4ด้านด้านหนึ่งเรียกว่าเกิดร่างหนึ่งเรียกว่าแก่ด้านหนึ่งเรียกว่าเจ็บ ด, ด้านหนึ่งเรียกนน ว, นนว่าตายเราติดอยู่ในคุกนี้มานานแล้วแล้วผู้คุมคุกตารางนี้ก็คือกิเลสตัณหานี่ถ้าเราอยากจะออกจากคุกเราก็ต้องฆ่ า, าอาวุธมาฆากิเลสตัณหาผู้คุมเราอาวุธที่เราจะฆากิเลสตัณหาก็คือการบวชเนี่ย ถ้าราบวชแล้วเราก็จะได้มีอาวุธสร้างอาวุธขึ้นมาได้สร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาสร้างศีลพอเรามีศีลสมาธิปัญญาเราก็มีอาวุธที่จะฆ่ากิเลสตัณหาพอกิเลสตัณหาตายผู้คุมไม่มีผู้คุมอยู่ในคุกแล้วเราก็เดินออกได้อย่างสบายไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปคําถามจากคุณสปิริตชูถ้าตายจากชาตินี้ แล้วไปเกิดในนรกหรือสวรรค์จะมีสิทธิ์ได้พบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าครับในนรกในสวรรค์นี่ไม่มีหล้วนอกจากว่าถ้าอยู่ในสวรรค์แล้วไปพบกับพระอาหารพระพุทธเจ้าที่ติดต่อกับเทวดาได้ก็ยังจะได้พบได้อยู่แต่ถ้าในนรกนี่ไม่พบนรกนี้มันไม่มีสติสตังที่จะมาฟังเทศฟังธรรมผู้ที่จะมาฟังเทศฟังธรรมได้ก็มีมนุษย์หรือเทวดา แล้วถ้าเป็นเทวดาก็ต้องรอให้มีพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าที่ติดต่อกับเทวดาได้เช่นหลวงปู่มั่นนี่ท่านก็ติดต่อกับเทวด า, า ท, ท่านาก็มีเทวดามาฟังเทศน์ฟังธรรมกับท่านพระพุทธเจ้าก็มีเทวดามาฟังเทศน์ฟังธรรมแต่เทวดาก็ต้องเป็นเทวดาที่ใฝ่ธรรมด้วยถ้าเป็นเทวดาที่ไม่สนใจก็จะไม่มาฟังเหมือนพวกเราเนี่ยพวกเราก็เป็นมนุษย์ที่ใฝ่ธรรมก็มีมนุษย์ที่ไม่ใฝ่ธรรมก็มี ถึงแม้มาเกิดมาเจอพระพุทธศาสนามีการแสดงธรรมอยู่แต่ถ้าไม่ฝ่ธรรมก็จะไม่มาฟังธรรมคำถามจากคุณอาทิตย์มีคนมายืมตังกับเราตังในกระเป๋ามีอยู่แค่จำเป็นต้องใช้แต่ตอบเขาไปว่าไม่มีแบบนี้ถือว่ามุสาไหมครับก็พูดให้มันหมดเลยว่าไม่มีให้คุณยืมจะได้ไม่มุสา้ ถ้าบอกไม่มีแล้วเราพูดในใจว่าให้คุณยืมก็ได้เอออเงินมุสาเงินมีนี่ต้องเก็บไว้ใช้เองเงินยืมไม่มีให้แล้วให้คิดทุกครั้งว่าใครมายืมนี่เหมือนกับโจรมาป้นอเอาหรือว่าคิดว่าเป็นคนมาบอกบุญให้ทําบุญก็ได้เอาได้สองแบบถ้าอยากจะให้เขาก็คิดว่าเขามาบอกบุญถ้าไม่อยากให้เขาก็คิดว่ามีโปโจรมามาป้นเออ แต่ถ้าต้องให้ก็ถือว่าเป็นการใช้กรรมไปแต่อย่าไปหวังเอาคืนเพราะถ้าจะหวังเอาคืนแล้วจะทําให้เราโกรธเขาเกลียดเขาได้เวลาเขาไม่คืนให้เราคิดว่าให้เขาไปแล้วคิดว่าเป็นการช่วยเหลือกันไปทําบุญทําทานไปเขาจะคืนไม่คืนก็เรื่องของเขาอย่างนี้เราก็จะได้บุญแล้วเราก็จะไม่เสียมิตรเราจะไม่โกรธเขาเกลียดเขาแต่เราคุณจะบอกว่ายืมได้ครั้งเดียวนะ ครั้งต่อไปไม่มีแล้วนะจะครั้งต่อไปเราจะได้ปฏิเสธได้เต็มปากเนี่บอกว่าเราบอกแล้วนอกจากว่าถ้าคุณเอาเงินเก่าที่คุณยืมไปคืนมาแนละ้วคุณจะมายืมใหม่ก็ได้แต่ก็จะยืมได้เท่ากับที่คราวที่แล้วนี่แหละก็ยังให้ยืมได้แต่จะมายืมเพิ่มไม่ได้ยืมไปแล้วของเก่ายังไม่จ่ายคืนมันจะมาขอยืมของใหม่อีกนี่ก็ไม่ให้แล้วคําถามจากคุณเทพจิดา แม่ไม่สบายหมอห้ามไม่ให้กินอาหารสแสลงแต่แม่ไม่ฟังดิฉันแม่แม่ไม่พอใจดิฉันจะบาปใหมเจ้าคะอย่าไม่ขัดใจแม่เลยอย่าขัดกินเล่ยของท่านนะท่านอยากจะกินอะไรก็ปล่อยท่านกินไปกินไม่กินท่านก็ตายเพียนงะแต่ว่าอย่างน้อยท่านอยู่ท่านยังมีความสุขจากการได้กินของอยากดีก็อยู่แล้วไม่ได้กินของอยากเนี่อาจจะทําให้ท่านอยากจะตายเร็วขึ้นก็ได้ดะงนั้นะนะเรื่องของกินเล่ของเขานี่เราอย่าไปห้ามก็เลย เขาต้องเห็นโทษของกิเลสของเขาแล้วก็บังคับใจเขาเองถ้าเขายังบังคับใจไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปเถอะให้เขามีความสุขของเขาไปเขาก็เป็นคนรับรับผลของของการกระทำของเขาเองเราเป็นลูกเรามีหนา้าที่รับใช้ช่วยให้แม่มีความสุขแต่เพียงแต่ว่าความสุขนั้นต้องไม่เกิดจากการกระทำบาป ก, ก็แล้วกันเช่นแม่อยากจะดื่มสุราแล้วเราก็บอกว่า เราก็ไม่ไปซื้อให้แล้วรับฟังค่าค่าไปแล้วก็ทําเป็นลืมไปถามทีไรก็ค่าค่าไปแต่ไม่ไปซื้อให้ท่านเดื่มอย่างนี้ก็ไม่บาปแต่เอาไปซื้อให้มาดื่มเนี่ยมันจะช่วยทําให้ท่านทาําบาปอย่าทำํำส่งเสริมส่งเสริมให้ท่านได้ทําบาปคําถามจากคุณจั ก, กริน ที่บวชแล้วแต่มีสมบัติติดตัวอยู่ตอนเป็นคารวาสเช่นที่ดินเงินฝากกองทุนเป็นอาบัตใหม่ครับ อ, อ๋อไ ม, ไม่ไม่อาบัตหรอกเพียงแต่ว่าจะบวชจริงแล้วไม่บวชจริงไถ้าบวชจริงเขาไม่เก็บอะไรไว้ละเพราะมันเป็นภาแล้มันจะมาเป็นเหมือนกับสมอเรือเวลาเราจะออกเรือนี่เราต้องถอนสมอเรือเรือมันจะได้วิ่งไปถ้าเราไม่ถอนสมอเรือเรือมันก็วิ่งไปไม่ได้ แต่เรายังมีความผูกพันกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่เดี๋ยวเราก็ต้องคอยมามาตรวจมาเช็คมาอะไรมาจ่ายภาษีมาทำอะไรรายงานประจำปีอยู่มันก็จะมารบกวนการภาวนาของเรานะถ้าอยากจะตัดความกังวลต่างๆเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเขาก็สละ ก, กันหมดแต่นี่เขาไม่บังคับกันแต่โดยโดยหลักของความเป็นจริง ผู้ที่บวชจริงๆเขาไม่เขาไม่เก็บเงินเก็บทองเขาไม่หรอกแต่สมัยนี้เรามีบวชแบบไม่จริงไงบวชแบบชั่วคราวบ้างบวชแบบการเมืองบ้างบวชอะไรก็แล้วแต่สาเหตุทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเขาก็ยังจะเก็บไว้อยู่เช่นช่วงนี้มีภัยมากก็ไปบวชสักหน่อยเดี๋ยวพอภัยมันหมดแล้วกยเสกออกมาอก็อย่างนี้เขาก็บวชแบบนี้เขาก็จะไม่สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไป ต้องถามจับผู้ไม่ประสงค์ออกนามโยมยังหาเงินทองอยู่เลยต้องทำทานให้บ่อยแต่ส่วนใหญ่จะถวายพัฒนาหารใส่บาทซึ่งเสียเวลาไม่มากและพยายามเจริญสติให้บ่อยเท่าที่นึกได้แต่ละวันรักษาศีลและภาวนาในทุกๆวันบีกเรียก ง, งานบุญใหญ่ๆเพราะคนเยอะแต่ช่วยเป็นเงินไปแทนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆได้ไหมคะได้แต่ก็อยากจะให้พัฒนาต่อไป ให้รักษาศีลห้าให้ได้แล้วก็วันพระก็หันรักษาศีลแปดไปเพื่อต่อไปจะได้ไปเป็นนักบวชได้จะได้รักษาศีลแปดแล้วก็จะได้มีเวลามาภาวนาได้คําถามจากคุณเอม็มผมเริ่มทําทานมากขึ้นแต่ผลที่ผมได้รับคือการได้รับกลับมามากขึ้นกว่าเดิมแต่ตอนที่ผมทําทานผมไม่ได้หวังผลตอบแทนนะครับจริงไหมครับที่ว่ายิ่งทํามากยิ่งได้กลับมามาก ได้จริงแต่มันอาจจะไม่ได้ในชาตินี้เท่านั้นเองดังนั้นอย่าเสียใจเลยอย่าท้อแท้ถ้าทําแล้วไม่ได้เช่นทําทวันนี้แล้วเย็นนี้วันนี้ไปซื้อหวยหวยไม่ออกไม่ถูกหวยก็อย่าไปท้อแท้เพราะมันมันอาจจะต้องรอชาติหน้ากลับมาแทางหวยมันถึงจะได้ชาตินี้ยังไม่ได้ก็ให้ทําไปอย่าท้อแท้ก็แล้วกันแล้วคิดว่าไอ้สิ่งที่เราได้ในวันนี้อาจจะเป็นผลจากชาติก่อนที่เราทําไว้ก่อน มันถึงได้กันเพราะว่ามันเหมือนปลูกข้าวปลูกข้าวกวันนี้มันจะให้ออกออกโวงในวันนี้มันไม่ได้หรอกก็ต้องรอเวลาให้มันมีเวลาเจริญเติบโตขึ้นมาบุญต่างๆที่เราทำไว้มันก็ต้องรอเวลาเหมือนกันแต่บุญที่เราได้ทันทีทันใดก็มีคือในใจเราทาบุญปั้มในใจเราก็เกิดความสุขใจความอิ่มใจความภูมิใจขึ้นมาทันที ผลถ้าเราต้องการดูผลที่เราได้ทันทีให้ดูที่ใจเราเช่นเดียวกับบาปทำบาปทันทีก็ร้อนขึ้นมาทันทีเลยวุ่นวายใจกังวลใจขึ้นมาทันทีทำบุญแล้วก็เย็นใจสบายใจสุขใจขึ้นมาทันทีนี่คือผลที่เราจะได้รับทันทีแต่ผลพลอยได้นี่มันต้องรอรอเวลาบางทีชาตินี้ทำดีแทบเป็นแทบตายไม่มีใครรู้เลยจะรู้ก็ตอนตายมาทา สะดุดชดีตอนที่ตายแล้วก็มีอันนี้ก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้หวังผลอันนี้สิ่งที่เราหวังผลก็คือความสุขใจที่เราได้ในขณะที่เราทํานั่นเลยแล้วความสุขใจนี้จะส่งให้เราได้ไปสู่สุขติไปสวรรค์แล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะได้รับกับรับอนิสงค์ของบุญที่เราทําไว้ในชาตินี้ต่อไปคําถามจากคุณวาริศ เทวดาสามารถบรรลุทรรเป็นพระอริยะได้ไหมครับเช่นตอนเรามีชีวิตอยู่พยายามปฏิบัติแต่ตายไปเสียก่อนแล้วไปบรรลุตอนเป็นเทวดาได้ไหมครับได้ถ้ามีถ้ามีถ้ามีดวงตาเห็นธรรมแล้วถ้าเป็นโสดาบันนี้แล้วตายไปแล้วไปเกิดเป็นสวรรค์เป็นเทวดาก่อนก็สามารถจเจริญต่อได้แต่ถ้าไม่มีอาจารย์แล้วตัวเอง มันยากกว่าเพราะว่าเวลาไปเป็นเทวดานี่บางทีมันไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์มันอยากจะได้อะไรมันก็ได้ดังใจอ่ะมันเนลมิตขึ้นมาได้นับางทีมันต้องเอามาเป็นมนุษย์ก่อนเอามาเป็นมนุษย์แล้วอยากได้แล้วไม่ได้ก็ทุกข์ใจแล้วถึงจะได้เห็นว่าอ๋อที่ทุกข์เพราะอยากก็จะหยุดความอยากได้แต่ใครที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วนี่ไม่ต้องมีใครมาสอนก็ได้ สามารถปฏิบัติไปเองได้เพราะทุกครั้งที่เกิดความทุกข์จะรู้ทันทีว่าเกิดจากความอยากของตนเองก็จะมาหาวิธีหยุดความอยากของตนเองเพอหยุดความอยากได้ก็จะก้าวขึ้นไปสู่ขั้นสูงขึ้นไปต่อไปจนถึงขั้นสูงสุดได้คําถามจากคุณอรุณชาติในฐานะชาวพุทธถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่ตรงหน้าควรเราจะควรทํำยังไงครับก็ทำเพื่ถูกต้องเลยถ้าทาได้ ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าไปทำก็ปล่อยวางถ้าทำแล้วทำให้เกิดความเสียหายเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาก็อย่าไปทำฉะน้นเห็นคนเขาทำไม่ถูกเราก็บอกเขาถ้าเราบอกได้เราก็บอกเขาถ้าบอกแล้วเขาเขามาต่อยเราล้วก็อย่าไปบอกเา็าอยู่เฉยๆดีกว่าคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบแนวทางการทําสมาธิเพื่อแยกกายแยกใจจนบรรลุพระโสดาบันครับก็แ น, น่ตอนต้นก็ต้องเจริญสติควบคุมความคิดหยุดความคิดแล้วมานั่งสมาธิจิตสงบจิตก็จะแยกออกจากร่างกายให้เห็นเองก็จะรู้ว่าร่างกายกับจิตนี้เป็นคนละคนกันแล้วพ อ, อ, อจากสมาธิมาพอจิตกับร่างกายมารวมกันก็ใช้ปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่านั่งกายไม่ใช่ตัวเรานะเราเป็นใจนะ เดี๋ยวร่างกายก็ต้องตายจากเราไปนะอย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะว่าถ้ายึดติดแล้วจะอยากไม่ให้มันจากเราไปแล้วจะทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ติดปล่อยให้มันจากไปเราก็จะไม่ทุกข์คำถามจามกคุณจอนแฟนกับน้องสาวไม่ถูกกันจนทำให้ต้องแยกบ้านกันอยู่ต่างคนต่างมีทิ๊กปิดไม่มีใครยอมใครเราถามนะเป็นคนกลางจะวางตัวอย่างไรดี พราะดูแล้วไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาคืนดีกันได้อีกแล้วค่ะคนกลางก็เฉยๆไงก็ปล <c oughs> ่อยเข้าไปเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราคำถามจากคุณมิตรปฏิบัติมาแปดปีแล้วเวลานี้ตอนภาวนาจะมีอาการตึงที่ศรีรษะและลำคอทำให้เข้าสมาธิได้ยากเป็นเพราะอะไรครับเพราะกิเลสไงกิเลสเวลาจะตั้งสมาธิมันจะสร้างอาการ อึดอาดตามส่วนต่างๆของร่างกายแต่ถ้าเวลานั่งดูหนังนั่งทำอะไรอย่างอื่นนี่มันจะไม่เป็นเพราะกิเลสมันชอบพอต้องทำอะไรที่กิเลสมันไม่ชอบมันก็จะสร้างอาการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเราก็ต้องอย่าไปสนใจมันเราให้เกาะติดอยู่กับพุทโธพุทโธไปเราอย่าทนมันไปเดี๋ยวพอจิตสงบแล้วอาการต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไปคาถามจากคุณพนมพร ซื้อเหล้ามาดองยาให้พ่อกินได้บุญหรือบาปครับถ้ากินเป็นยาแล้วรักษาร่างกายได้ก็ไม่บาปแต่ถ้ากินแล้วอ้างว่าเป็นยาแล้วกินเพื่อให้เมามันก็มันก็บาปคาถามถ้าสมมติว่าผมสร้างพระหนึ่งล้านบาทแล้วคุณมาอนุโมทนากับผม ก็เท่ากับคุณได้บุญห0สิเปอร์เซ็นหรือห้าแสนใช่ไหมครับไม่ได้เลย <c oughs> บุญละบุญล้านหนึ่งก็ยังเป็นของเราอยู่ <c oughs> เขาได้บุญก็เรียกบุญอนุโมทนาซึ่งเป็นบุญอีกแบบหนึ่งเหมือนกับเขาได้ความสุขที่เห็นเราทำบุญเขาก็มีความสุขใจไปกับเราบางคนเขากลับไม่เป็นอย่างนั้นนี่ เขากลับเสียดายเงินล้านที่เราไปทําบุญเช่นเป็นเมียเราเงนี้หรือเป็นผัวเราอย่างนี้กโกรธเราได้อแทนนี้ก็จะมีความสุขจากการทําบุญของเราเข้ากับทุกข์กับเราแต่ถ้าเขาอนุโมทนาเขาก็จะไม่ทุกข์เขาก็จะมีความสุขบุญคนละอย่างกันอันนี้บุญบุญเพื่อการความทุกข์บุญเพื่อการความเอฉาลิษยาเวลาใครเขาทาความดีก็สาธุไปกับเขา เราก็จะมีความสุขไปเราจะไปทุกข์กับเขาทําไมมันเงินของเขาเขาจะทําอะไรก็เลยถ้าเป็นเงินของเราเข้าไปทําถ้าเราสาธุด้วยเราก็จะได้ได้ทั้งบุญที่เกิดจากการเสียเงินนี้ไปรักบุญที่เราอนุโมทนาไปด้วยข้อที่สองมีคนบอกว่าเอาบุญมาฝากแล้วเราฝากแล้วอนุโมทนาบุญกับเขาไปด้วยแบบนี้เราได้บุญไหมครับก็ได้อนุโมทนาบุญไง เขามาฝากก็คือก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาได้ไปทําบุญมาแล้วมีความสุขเ อ, อเราเห็นว่าเขามีความสุขแล้วก็ดีใจไยกับเขาคําถามจากคุณวัชรินลูกพยายามจเจริญสติตลอดเวลาหลุดนึกได้ก็เริ่มทําใหม่ทําอย่างนี้ตลอดตลอดเลยเหรอคะเออทาแล้วต้องนั่งาหาเวลานั่งเวล า, วลามีสติแล้วต้องนั่งมันถึงจะสงบ เ, เวลาไม่นั่งนี่มันเพียงแต่รักษาใจไม่ให้ลอยไปลอยมากับความคิดต่างๆ แต่มันจะไม่รวมเข้าสู่ความสงบแต่มันจะรวมก็ต่อเมื่อเรานั่งเฉยๆนั่งเราต้องมีพุทโธต้องมีอะไรด้วยนะไม่ใช่นั่งเฉยๆนั่งเราต้องดูลมหายใจแล้วนั่งแล้วต้องบริกรรมพุทโธไปถ้านั่งเฉยๆเดี๋ยวจิตมันก็สร้างภาพสร้างอะไรขึ้นมาหลอกมามาสร้างอารมณ์ต่างๆให้กับเราคำถามจากคุณชุติมาคู่สามีภรรยาศีลไม่เท่ากันจะอยู่ร่วมกันได้ไหมคะ ก็นังสิถ้าคนหนึ่งเขามีชูอีกคนหนึงไม่มีชูนี่อยู่ด้วยกันได้ปะฮะไม่ได้เลยหมดแล้วแหละมีอีกหนึ่งค่ะคำถามจากคุณจิตนาภาหนูจะบวชลูกโดยไม่ได้เชิญ ญ, ญาติพี่น้องทำเฉพาะพ่อแม่จะได้บุญไหมคะก็เราบวชนี่มันเราทำบุญนี่แล้เราก็ได้บุญอยู่แล้ว เพีแต่ว่าถ้าเราบอกญาติพี่น้องก็จะทําให้เขาได้ร่วมบุญด้วยแต่ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องของเราว่าเขาสนใจหรือไม่สนใจถ้าการบอกของเราไปเป็นเหมือนกับเป็นการบังคับเขาก็อย่าไปบอกดีกว่าแต่ถ้าเขาเป็นคนที่ชอบทําบุญแล้วแล้วเขาเคยฝากบอกว่าทำถ้าทําบุญอะไรก็บอกกันบ้างนะงนเราก็บอกบุญกันได้แต่อย่าไปบอกเพื่อหวังให้มีคนมาร่วมบุญเยอะๆมาทํา เพรเดี๋ยวเกิดเขาไม่มาเราก็จะเสียใจและเราจะโกรธเขาได้เราบอกบุญเพื่อให้เขาได้มีโอกาสได้ทําบุญเพราะบางทีเขาไม่มีโอกาสเขาต้องรอหามีเหตุเช่นมีลูกหลานมีเพื่อนฝูงบวชอันนี้ก็จะได้มีเวลามีโอกาสมาทําบุญสักครั้งหนึ่งถ้าเราบอกเขาเขาก็จะได้มีโอกาสได้ทําบุญนแต่ถ้าเราไม่บอกเขาเขาก็เขาก็จะไม่ได้ทําบุญนถ้าบอกแบบนี้บอกได้แต่ก็ต้องดูคนที่เราบอกว่าเขา เป็นคนแบบไหนคนที่เขาอยากจะทำบุญหรือไม่ถ้าเขาไม่อยากจะทำบุญเราไปบอกเขาเป็นเหมือนกับเป็นการบังคับโดยเฉพาะไปยื่นบัตรเชิญให้เขายื่นใส่ซองไปนี่มันยิ่งเป็นการบังคับเขาถ้าทำแบบนี้อย่าทำบอกแบบว่าบอกให้เขารู้เฉยๆนะเหมือนว่าพี่ลูกชายจะบวชนะ เ, เขาพูดแค่นี้ก็จบแล้วกันเขาจะยั ง, ยงไงก็เรื่องของเขาถ้าเขาสนใจก็ถามวันที่เท่าไหร่ที่ไหน เราไม่ต้องไปบอกรายละเอียดก็ได้พูดแค่นี้แยากออกไปให้เขารู้หน่อยก็แล้วกันย้ำให้เขารู้หน่อยแล้วเราจะดูใจเขาว่าเขาจะสนใจไม่สนใจถ้าเขาไม่ถามไม่ถึงอะไรก็เหรอก็ดีเว้ยนี่ก็จบหมดแล้วแหละอ่มีคำถามเปิดเพื่อนฝักทางนะคะระหว่ที่เป็นสมเด็จบัณฑิตชาตินะคะระยะเวลาที่จะต้องมาปฏิบัติและบรรลุเนี่ยกับการที่เป็นพระอนันตคามี แล้วมาบรรลุนี่อย่างไหนดีกว่าแต่ตาม้าใจของลูกว่าก็พระพุทเจ้าท่านก็จัดไพรัจจีไว้อยู่แล้วอวยิ่งสูงเลยไปยิ่งดีกว่า อ, อแต่แตถ้ามองทางด้านกิเลสเป็นพระโสดามันก็ดีกว่ายังมีผัวมีเมียได้ <c oughs> แต่ถ้าเป็น <c oughs> <c oughs> มันก็เป็นต้องเป็นนักบวชเพราเป็นไม่ไม่มีไม่มีคู่ครองที่ไม่มีพราะเบือ่อมันทุกเห็นว่ามันทุกไม่ใช่อะไรหรอกมันดีกว่ามันยิ่งสูงก็ยิ่งดีกว่า อามาอ้าว่าก็มาคำถามจากคุณวงเวลาผมนั่งทำสมาธิผมต้องใช้วิธีหายใจให้แรงแงและยาวๆเพื่อให้จิตสงบเร็วแบบนี้ถือว่าถูกต้องไหมครับเพราะถ้าไม่เพราะถ้าไม่มหายใจยาวๆสักแป๊บเดียวจิตก็จะออกไปข้างนอกทำให้ไม่ได้สมาธิครับความจริงฟังแล้วมันไม่น่าจะได้นะเพราะว่าเวลาทำบังคับลมนี่มันจิตมันจะสงบไม่ได้เพราะจิตต้องทางาน จิตจะสงบได้จิตต้องไม่ทำงานจิตต้องรู้เฉยๆเฉยเะฉะนั้นถ้าเป็นการเป็นการบังคับลมหายใจแรงๆมันอาจจะสงบแต่ไม่สงบแบบเต็มที่ก็ได้สงบจากการไม่สงบจากความฟุ้งซ่านมามาเป็นปกติก็ได้แต่ยังไม่ถือว่าเป็นสมาธิถ้าอยากให้มันเป็นสมาธิก็ต้องนั่งดูลมต่อพอมันสงบแล้วถ้ายัางดูลมได้ก็ดูไปอย่าไปบังคับลมตอนเริ่มต้นอาจจะบังคับเพื่อให้มันหยุด ฟุ้งซ่านงนี้ก็อาจจะทําได้นะเช่นหายใจแรงๆสักพักหนึ่งจนกระทั่งจิตมันมาเกาะติกับลมแล้วจิตมันเริ่มสงบเริ่มไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วทีนี้ก็อย่าไปบังคับลมนะก็ให้ดูลมไปเฉยๆต่อมันถึงจะรวมได้ค่าคำถามจากคุณเทพธิดาเราทําบุญสามีเฉยๆไม่ว่าอะไรแต่ก็ไม่อนุโมทนาเขาจะได้บุญไหมคะ คือต้องดูว่าเงินนี้เป็นของเขาด้วยหรอือเปล่าถ้าเงินเป็นของเขาถึงแม้ก็จะไม่อนุโมทนาเขาก็ยังได้อยู่เพราะเขาเสียเงินส่วนนี้ไปแต่ถ้าเขาอนุโมทนาเขาก็จะได้บุญเขาก็าาได้รับความสุขมากกว่าถึงแม้ก็จะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ไม่มีผลใช่ไหมคะถ้าเป็นของเขาเขาได้บุญอยู่แล้วนครัก็อย่างว่าเนี่ยบางทีอาจจะไม่ถ้าเขาไม่เต็มใจเขาไม่อนุ ญ, ญาตก็เหมือนกันเราเขามอบเงินเข้าไปทําบุญ เขาก็จะไม่ได้บุญแต่ถ้าเขายินดีอะทว่าทำไม่ขัดข้องอดีออนุญาตอันนี้ก็แล้วแต่ใจเขาถ้าใจเขาไม่ยินดีเขาก็ไม่ได้บุญถึงแม้จะเป็นเงินของเขาคำถามจากคุณทีเซอร์ไปบวชกับพระอาจารย์ได้ไหมครับบวชเนรอายุยังไม่ถึง เราไม่บวชใครหรอกเรามีแต่ซ้อนอย่างเดียว <c oughs> ไปบวชที่อื่นคะํถาถามจากคุณซอบีเวลาสวดมนต์ชอบหาวบ่อยมากบางครั้งก็น้ําตาไหลเป็นเพราะอะไรคะ <c oughs> ก็บางทีจิตมันไม่ไม่ฟุ้งซ่านจิตมันเบาจิตมันสบายมันก็เลยเอปิติมันก็น้ําตาไหลและบางทีมันก็ง่วงได้เพราะว่าเมื่อมันไม่มีเรื่องอะไรมาวุ่นวายใจมันก็เลยง่วง เพราะว่าสติมีกําลังไม่มากพอถ้าสติมีกําลังมากพอมันก็จะไม่ง่วงมันก็จะสงบแทน อ, อีกสองเ อ, เอาเลยคําถามจากคุณหมูถ้าเรามีความทุกข์มากเข้าห้องพักเพื่อสวดมนต์และนั่งสมาธิแต่ทุกข์ก็ไม่หายกับร้องไห้หน้าพระเราจะบาปไหมคะไม่บาปแล้วที่ทุกข์ไม่หายเพราะเราไม่สวดจริงๆเรายังคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์อยู่ถ้าเรา สวดจริงๆไม่ไปคิดถึงเรื่องที่เราทุกข์เดี๋ยวความทุกข์ก็จะหายไปแต่มันอาจจะยากเพราะว่าใจเรามันผูกพันกับเรื่องที่ทำให้เราทุกข์มากสวดยังไงมันก็ยังไม่ยอมหยุดไปคิดถึงมันก็ต้องพยายามสวดไปเรื่อยๆอาจจะต้องใช้วันเป็นหลายชั่วโมงก็หลายวันก็ได้กว่าที่มันจะหยุดคิดถึงเรื่องที่ทำให้มันทุกข์ก็ได้แต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ทาอะไรเลย <laughs> จากคุณปทมาพรตอนนั่งสมาธิเริ่มกําหนดพุทโธพุทโธสักพักพุทโธหายกลับมาเป็นรู้ลมหายใจแทนสักระยะก็หายไปหมดค่ะแต่โยมรู้นะคะว่านั่งคือมันว่างแบบนี้ถูกไหมคะถ้าเราทาอย่างไรถ้ารู้มันว่างก็ให้มันว่างไปเรื่อยๆนานๆอย่าอย่าเพิ่งไปทําอะไรให้อยู่กับความว่างไปนานๆถ้ามันสบายถ้ามันถ้ามันว่างจริงมันต้องสบายต้องมีความสุข มันจะไม่อยากออกจากสภาพนั้นไปอ่าคําถามสุดท้ายใช่ไหมค ำ, คำถามจาก inbox ค่ ะ, ะพี่สาวเคยบนบานให้เพื่อนหายจากป่วยหนักจะปวดจะบวชถือศีลให้สิบวันจําเป็นต้องบวชตอ่อเนื่องทั้งสิบวันไหมคะทยอยทั้งละสามวันได้ไหมคะก็อยู่ที่เราบนว่าเราจะบนแบบไหนไงถ้าเราไม่ได้กําหนดก็ได้ถ้าเราไม่ได้ ก, ดกดํ า, ากหนดว่าจะบวชสิบวันโทดอย่างเงี้ยเราจะบวชแบบ บวบสะสมไปก็ได้แล้วแต่เราอยู่ที่คํามั่นสัญญาเหมือนกับเราทําสัญญากับใครไว้ทําสัญญาแบบไหนก็ต้องทําตามสัญญาที่เราทําไว้เพื่อไม่ให้เราเสียสัจจะท่านนั่นแหะหมดแล้วนะเดีเ๋ยมีสุดท้ายข้อหนึ่งเราเยอะ<ร>อย่างก็เอาแค่นี้ก่อนนะเหนื่อยแล้วไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจนาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอน